ก็รมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พวกเรามาศึกษามาปฏิบัติกันมาอาศัยเป็นแสงสว่างนำทางพาชีวิตของพวกเราให้ไปสู่ที่ดีที่ชอบไปสู่ที่มีแต่ความสุข ปราศจากความทุกข์เป็นคำสอนที่มีคุณสมบัติที่น่าสนใจอยู่หลายประการด้วยกันที่เราควรที่จะศึกษาและทำความเข้าใจให้ถูกต้องเพื่อจะได้ไม่ต้องลังเลสงสัย คุณนสมบัติข้อที่หนึ่งก็คือสวากขาโตภะวตาธรรมโมแปลว่าเป็นธรรมคำสอนที่ตรัสไว้ชอบแล้วคือถูกต้องต า, า, ามความเป็นจริงทุกประการคำสอนที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเรารู้กันนี้เป็นความจริงร้อยเปอร์เซ็นต์ ไม่มีความเท็จความหลอกลวงปนอยู่ในคำสอนของพระพุทธเจ้าเลยเช่นทรงสอนว่าบาปมีจริงผลของบาปคืออบายนรกมีจริงบุญมีจริงผลของบุญคือสวรรค์ ชั้นต่างๆมีจริงตายแล้วไม่สูญมีจริงตายแล้วไปเกิดต่อไปเกิดบนสวรรค์บ้างไปเกิดในอบายบ้างตามอำนาจของบาปของบุญที่ได้ทำไว้มีจริงถ้าไม่อยากจะกลับมาเกิดใหม่ ก็สามารถที่จะทำได้สามารถไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายถ้าต้องการก็ต้องหยุดเหตุที่ทำให้มาเกิดแก่เจ็บตายถ้าทำหยุดเหตุได้ก็ไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปไม่ต้องมารับผลบุญผลบาป ก็จะไปอยู่ที่พระนิพพานที่ไม่มีการเกิดแก่เจ็บตายที่ไม่มีความทุกข์มีแต่ความสุขตลอดเวลาไม่มีวันสิ้นสุดนี่คือความจริงที่พระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบเราก็นำเอามาเผยแต่สั่งสอนให้แก่ พุทธศาสนิกชนอย่างพวกเราถ้าพวกเราอยากจะพิสูจน์เราสามารถพิสูจน์ได้ดังคุณสมบัติข้อที่สองของพระธรรมคำสอนที่ทรงตรัสว่าสันติโกเป็นธรรมที่สามารถพิสูจน์ได้โดยการศึกษา ด้วยการปฏิบัตินั่นเองผู้ที่ศึกษาและปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจะสามารถพิสูจน์ได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสอนนี้เป็นความจริงทุกประการผู้ที่ได้ศึกษาได้ปฏิบัติก็เป็นพระอริยสงสารทั้งหลายนี้เอง ผู้ที่ได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆตั้งแต่ขั้นพระโสดาบันขึ้นไปจนถึงพาาระอรหันต์พระอริยสงสาวกทุกๆองค์นี้เป็นผู้มายืนยันมารับรองคําสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆุกพระองค์เลยไม่มีพระอริยสงสาวกองค์ใดที่จะมาคัาดค้าน ว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ไม่ได้เป็นความจริงดังที่สอนเลยนี่คือสันทติโกสามารถพิสูจน์ได้ด้วยการศึกษาด้วยการปฏิบัติผู้ที่ศึกษาผู้ที่ปฏิบัติทำคําสอนของพระพุทธเจ้าจะเป็นผู้ที่พิสูจน์ผู้ที่จะเห็นว่าบาปมีจริงบุญมีจริง นลกมีจริงสวรรค์มีจริงการเวียนว่ายตายเกิดมีจริงและการสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดก็มีจริงอันนี้คือสันติโกอกาลิโกแปลว่าเป็นความจริงทุกยุคทุกสมัยอไม่ใช่เป็นความจริงเฉพาะในยุคของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเป็นความจเป็นความจริง แม้แต่ในยุคปัจจุบันนี้ทำบุญก็ยังไปสวรรค์อยู่เหมือนเดิมทำบาปก็ไปอบายอยู่เหมือนเดิมตายแล้วก็ต้องไปเกิดใหม่ไปรับผลบุญผลบาปใหม่ตายแล้วก็ถ้าบุญเป็นผู้ส่งไปก็ไปสวรรค์กันถ้าบาปเป็นผู้ส่งไปก็ไปอบายกัน หลังจากไปสวรรค์ไปนรกแล้วก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เกิดมาทำบุญทำบาปใหม่เรียกว่าเวียนว่ายตายเกิดจากภพหนึ่งไปสู่อีกภพหนึ่งแล้วก็กลับมาสู่อีกภพหนึ่งกลับไปกลับมาขึ้นขึ้นลงลงตามอำนาจของบุญและบาปที่ใดได้ทำไว้ในแต่ละภพแต่ละชาติแล้วถ้า ได้มาศึกษาได้มาปฏิบัติก็จะสามารถยุติการเวียนว่ายตายเกิดนี้ได้ไม่ว่าจะเป็นนยุคสมัยพุทธกาลหรือยุคสมัยนี้มรรคผลนิพพานคือการสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดนี้มีอยู่เท่ากันเหมือนเดิมอย่าไปบางคนไปคิดว่า ไม่มีพระพุทธเจ้าแล้วมรรคผลนิพพานนี้หมดแล้วไม่สามารถปฏิบัติให้ถึงมรรคผลนิพพานได้แล้วเพราะต้องมีพระพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงสั่งสอนเพียงผู้เดียวอันนี้ไม่ใช่อาการลิโกะอาการลิโกนี้ไม่มีพระพุทธเจ้าก็มีพระอริยสงสาวกมีพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ที่เป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าสามารถพาให้เราไปสู่มรรคผลนิพพานได้พาให้เราไปสู่การสิ้นสุดของการเกิดแก่เจ็บตายได้ไม่มีพระพุทธเจ้าไม่มีพระอาหารหันต์ก็ยังมีพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ที่มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกนี่ อันนี้แหละคือศาสดาของพวกเราพระพุทธเจ้าทรงตัดไว้ก่อนที่จะจากไปว่าพระธรรมคำสอนที่เราได้สั่งสอนพวกเธอนี้ที่ได้มีบันทึกเก็บไวน้นี้จะเป็นศาสดาของพวกเธอต่อไปพวกเธอจะไม่ได้อยู่ปราศจากศาสดาตราบใดมีพระธรรมคำสอนที่ได้มีการบันทึกจดจำเอาไว้ ยังมีอยู่ในโลกนี้ดาบนั้นก็ยังมีพระพุทธเจ้าอยู่กับพวกเรามีศาสดาอยู่กับพวกเราผู้ที่จะนำพาพวกเราให้ได้สิ้นสุดให้ได้ไปสู่การสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิด<ม> น, นี่คืออากาลิโก้<ม>ยันไม่ต้องลังเลสงสัยว่า ชาตนี้สมัยนี้ปฏิบัติได้แล้วปฏิบัติแล้วไปถึงนิพพานได้หรือเปล่าหมดยุคหมดสมัยหรื อ, อยังเปรียบเหมือนกับยาที่เราใช้รักษาโรคภัยไข้เจ็บเอจะมีฉลากเขียนคำกับไว้ว่ายาจะหมดอายุภายในวันนั้นวันนี้อถ้าหลังจากวันนั้นวันนี้แล้วถ้าใช้อย่างนี้ก็จะไม่ได้ ผลอหรืออาจจะเกิดผลเสียขึ้นมาเสียได้ซ้ําไปจึงห้ามบริโภคหลังจากที่ยานั้นหมดอายุแต่ยาธรรมโอสถของพระพุทธเจ้านี้ไม่มีวันหมดอายุหรื อ, อากาลิโกอีกร้อยปีพันปีธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้านี้ก็ยังมีประสิทธิภาพเหมือนเดิมเหมือนใน สมัยที่พระพุทธเจ้าทรงตัดสอนด้วยพระองค์เอง <Yeah. S 1> ว่ามันไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามการตามเวลานั่นเอง <Yeah. S 1> อันนี้ก็คือสันอากาลิโกปัจจตังเวดิตะโบวินยูหิอันนี้แปลว่าเหมาะกับวินยูชนคนฉลาดคนฉลาดเท่านั้นถึงจะเข้า หาธรรมะของพระพุทธเจ้าได้คนไม่ฉลาดนี่จะเข้าไม่ถึงหรือจะไม่เข้าหาเพราะจะคิดว่าเป็นคำสอนที่งมงายเป็นคำสอนที่มองไม่เห็นพิสูจน์ไม่ได้เช่นคนที่ศึกษาทางวิทยาศาสตร์เขามักจะคิดว่า คำสอนของศาสนาเกี่ยวกับสวรรค์เกี่ยวกับนรกนี้เป็นเรื่องงมงายเป็นเรื่องที่ไม่มีเป็นเรื่องที่แต่งกันขึ้นมา เ, ออเพราะนักวิทยาศาสตร์เขาได้ค้นคว้าทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกนี้แล้ว เ, ออเขาไม่พบสวรรค์ไม่พบนรกออส่งจรวจขึ้นไปสำรวจในอวกาศก็ไม่มีสวรรค์อยู่ในอวกาศ ลงเรือดำน้ําลงไปใต้ทะเลก็ไม่มีนรกอยู่ในภายใต้ทะเลหรือเจาะเข้าไปในดินก็ไม่มีนรกให้พบเนี่เขาจึงไม่คิดเขาจึงคิดว่าคําสอนเกี่ยวกับนรกเกี่ยวกับสวรรค์เกี่ยวกับการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยเป็นคําสอนงมงายเป็นคําสอนที่ ไม่สามารถที่จะพิสูจน์ได้นี่เป็นความคิดของเขาเพราะเขาไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัติถ้าเขาได้ศึกษาและได้ปฏิบัติได้พิสูจน์เขาก็จะเห็นว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่เขาคิดคนที่มาศึกษาคนที่ปฏิบัติจึงถือว่าเป็นคนฉลาดคนฉลาดนี่มีลักษณะอย่างไร ก็คือไม่เชื่อง่ายๆไม่ปฏิเสธง่ายๆเใครจะพูดอะไรก็ไม่ได้ปฏิเสธทันทีแล้วก็ไม่เชื่อทันทีคนฉลาดจะเอาไปพิสูจน์ดูว่าจริงหรือไม่จริงแต่คนที่ฟังแล้วปฏิเสธทันทีนี้ก็ถือว่าไม่ได้เป็นคนฉลาด เรื่องกที่ฟังแล้วเชื่อทันทีโดยไม่ไปพิสูจน์ก็ถือว่าไม่เป็นคนฉลาดเหมือนกันคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ไม่ได้ให้เชื่อแบบงมงายไม่ได้ให้เชื่อแบบเฉยๆให้เชื่อเพื่อเอาไปพิสูจน์ว่าจริงหรือไม่จริงเพราะถ้าไม่ไปพิสูจน์ไม่ไปปฏิบัติจะไม่ได้รับประโยชน์จากการเชื่อนั่นเอง เบื้องต้นก็นให้เชื่อเชื่อเพื่อเอาไปพิสูจน์ดูว่าเป็นจริงดังที่เขาพูดกันหรือเปล่านี่คือเรื่องของวินยูชนคนฉลาดถึงจะเข้าเข้าถึงพ ร, พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้เพราะถ้าไม่เชื่อตั้งแต่ได้ยินได้ฟังปฏิเสธทันที ก็จะไม่สนใจที่จะมาศึกษาไม่สนใจที่จะมาปฏิบัติมาพิสูจน์นั่นเองเหมือนกับไม่เชื่อยาที่หมอให้มาไปหาหมอหมอให้ยามาให้เอาไปรับประทานรับประทานแล้วจะหายแต่ไม่เชื่อก็เลยไม่รับประทานยาก็เลยไม่รู้ว่ายานั้นจะรักษาโรคให้หายได้หรือไม่ คนฉลาดนี้ก็ต้องเชื่อหมอแล้วก็พิสูจน์ดูว่ายาที่หมอให้มานี้จะรักษาโาครคภัยไข้เจ็บให้หายได้หรือไม่ถ้าไม่รับประทานยาก็จะไม่รู้ว่ายานั้นจะรักษาโรคได้หรือไม่พอรับประทานยาแล้วก็จะรู้ว่าหายหรือไม่หาย ถ้าไม่หายก็จะได้รู้ว่ายาชนิดนี้ใช้ไม่ได้ถ้าหายก็จะได้รู้ว่ายาชนิดนี้ใช้ได้นี่คือคาสอนของพระพุทธเจ้าก็เป็นเหมือนยารักษาโรคโรคของใจเราก็คือโรคของความทุกข์ที่เกิดจากการกระทําบาปต่างๆที่เกิดจากการ เวียนว่ายตายเกิดต่างๆนี่เองที่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจะสามารถเยียวยารักษาใจให้หายจากโรคของความทุกข์ต่างๆได้นี่คือพระคุณของของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ต่อมาก็คือต้องโอปัญญิโก คำว่าโอปัญญิโกโก็คือแปลว่าให้น้อมเข้ามาสู่ใจของเราเหมือนกับยายาอยู่ข้างนอกร่างกายวิเศษขนาดไหนก็ไม่สามารถรักษาโาครคภัยไข้เจ็บที่มีอยู่ในร่างกายของเราให้หายได้อจะให้ยารักษาโรคเราก็ต้องรับประทานยาเอจะให้ธรรมะมารักษาโรคใจโรคของความทุกข์ของใจ ก็ต้องน้อมเข้ามาสู่ใจน้อมเข้ามาด้วยการศึกษาด้วยการปฏิบัตินี้เองนี่คือเรื่องของคุณสมบัติของพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเปรียบเหมือนกับฉลากยาก่อนที่เราจะรับประทานยาเรามักจะอ่านฉลากยาดูก่อนว่ายานี้มีชื่อว่าอะไร มีไว้สำหรับรลกษาโรคชนิดไหนรักษาโรคปวดศรีรษะหรือปวดท้องรักษาโรคความดันสูงรักษาโรคไขมันอุดตันรักษาโรคเบาหวานเราต้องอ่านฉลากยาก่อนให้รู้ว่ายาที่เราจะรับประทานนี้ตรงกับโรคที่เราต้องการรักษาหรือไม่ ถ้าเราไปรับประทานยาผิดประเภทก็จะเกิดโทษขึ้นมาได้หรือถ้าไม่เกิดโทษก็จะไม่สามารถรักษาโรคที่เราต้องการรักษาให้หายได้เราก็ต้องมีการอ่านฉลากยาแล้วก็ดูใบกํากับยาว่าต้องรับประทานครั้งละกี่เม็ดวันละกี่เวลานี่คือแล้วดู วันหมดอายุของยาเรียกว่ายานี้หมดอายุหรือยังถ้าไปเจอยาเก่าหมดอายุแล้วรับประทานยานั้นก็จะไม่สามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้ธรรมะของพระพุทธเจ้าก็เป็นเหมือนยานี้ที่เราต้องอ่านฉลากดูก่อนว่าธรรมะของพระพุทธเจ้านี้มารักษาอะไรให้กับเรารักษาความทุกข์ของเรานี้เอง ให้เราไม่ให้ไปเกิดในอบายเป็นต้นการไปเกิดในอบายนี้มันเป็นความทุกข์มากกว่าความสุขภพที่มีความสุขมากกว่าความทุกข์ก็คือภพของมนษุษย์ภพของเทวดาภ พ, ข อ, พของพรหมภพของพระอริยะเจา้าส่วนภพที่มีความทุกข์มากกว่าความสุขก็คือภพของเดลฉาน ของเปรตของอสุรกายของนรกเนี่ยนี่เป็นภพที่เราไม่ควรไปกันและพระพุทธเจ้าก็รู้ว่าเหตุที่จะพาให้เราไปเกิดในภพที่ไม่ดีนี้เกิดจากอะไรท่านก็ทรงสอนให้เรารู้ว่าถ้าทำอย่างนี้จะต้องไปเกิดในอบายถ้าไม่อยากจะไปเกิดในอบาย ก็ให้ละเว้นการกระทําเหล่านี้เสียท่านจึงสอนให้เราละการกระทําบาปทั้งปวงอ่นี่คือข้อที่หนึ่งให้ละการกระทําบาปทั้งปวงนี่เราจะทําตามหรือไม่เหมือนกับยาเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกเนี่เอายานี้ไปกินอย่าทําบาปแล้วจะไม่ทุกข์ใจจะไม่ต้องไปเป็นเดรัจฉานไม่ต้องไปเป็นเปรต ไม่ต้องไปเป็นอสูรละกายไม่ต้องไปตกนรกถ้าเราอยากจะพิสูจน์เราก็ต้องลองทำดูดูว่าทำแล้วความทุกข์ที่มีอยู่ในใจของเราเบาบางลงไปหรือไม่ถึงแม้เราอาจจะไม่สามารถพิสูจน์พบที่เรามองไม่เห็นกับตาของเราอย่างน้อยเราก็สามารถพิสูจน์ได้ในปัจจุบันในขณะที่เรา ก็ทําตามคําสอนว่าความทุกข์ความวุ่นวายใจของเรานี้มันน้อยลงไปอย่างนี้เราก็จะเห็นผลว่าเออเมื่อก่อนนี้เราทําบาปความรุ่มร้อนของจิตใจความเครียดของจิตใจนี้มีมากกว่าตอนนี้ตอนนี้หลังจากที่ไม่ได้ทําบาปแล้วใจรู้สึกสบายขึ้นเย็นขึ้นมีความสุขมากขึ้น อันนี้ก็เราสามารถที่สูจนได้ด้วยการดูที่ความรู้สึกภายในใจของเราว่าการทำบาปกับการไม่ทำบาปนี้มีความแตกต่างอย่างไรอันนี้เราต้องปฏิบัติเราถึงจะรู้ขั้นต้นเราก็ต้องศึกษาว่าพระพุทธเจ้าสอนให้เราระ ง, งับการกระทำอะไร พระพุทธเจ้าบอกให้ระงับการกระทำบาปทั้งปวงบาปก็มีการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การประพฤติผิดประเวณีการพูดปดและอบายมุขที่เป็นตัวที่สนับสนุนในการทำบาปก็คือการดื่มสุรายาเมาการเล่นการพนันการเที่ยวกลางคืนการเที่ยวดู มหัศลบันเทิงการเล่นเล่นต่างๆการคบคนชอบทำบาปชอบอบายามุขเป็นมิตรและความเกลียดคร้านนี่คือการกระทำที่จะสร้างความทุกข์ให้แก่จิตใจของผู้กระทำถ้าไม่อยากจะมีความทุกข์จากการกระทำเหล่านี้ก็ให้ระงับการกระทำเหล่านี้เสียแล้วความทุกข ก็จะไม่เกิดขึ้นมาออออลองระ ง, งับการดื่มสุราดูลองระ ง, งับการเล่นการพนันดูออลองระ ง, งับการเที่ยวกลางคืนดูลองระ ง, งับการเที่ยวดูการละเล่นต่างๆหรือท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆละเว้นคบกับคนที่ชอบเที่ยวชอบทําบาปแล้วก็ละเว้นจากความเกลียดครา เราจะเห็นผลทันทีจากการปฏิบัตินี้เลยว่าความทุกข์ของเหล่านี้จะน้อยลงไปทันทีอันนี้พิสูจน์ได้ว่าใจของเหล่านี้จะทุกข์น้อยลงเหลือทุกข์มากขึ้นด้วยการกระทำตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเราอย่างน้อยก็จะเริ่มเห็นผลที่เกิดจากการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าใน ขณะที่เรามีชีวิตอยู่ส่วนหลังจากที่เราตายไปแล้ว <S 1> <S 1> <S เราจะรู้เราจะไปเป็นอะไรต่อไปนี้เรายังอาจจะไม่รู้ถ้าเราไม่ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเพิ่มขึ้นไปอีก <S <S 2> <S 2> ถ้าเราอยากจะรู้ว่าหลังจากที่เราตายไปแล้วเราจะไปนรกไปสวรรค์หรือไปนิพพานนี่เราจะต้องปฏิบัติ ตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอีกสองข้อโดยกันข้อที่หนึ่งให้เราละเว้นการกระทำบาปทั้งปวงข้อที่สองให้เราทำกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมทำความดีต่างๆให้ถึงพร้อมเช่นให้เรามีการทำบุญทำทานให้เรามีความเมตตากรุณาเ อ, อเื้อเพื้อเผื่อแป่มุดิตาอุเบกขา ให้เรามีความกตัญญูกะตะเวทีมีความสำนึกในบุญคุณของบิดามารดาผัวญาตายายครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณทั้งหลายและทดแทนบุญคุณให้แก่ท่านเหล่านั้นตามความเหมาะสมแก่ฐานะของท่านถ้าท่านยังมีชีวิตอยู่ก็เลี้ยงดูท่านอุ ป, ปถัมภ์ช่วยเหลือท่านรับใช้ท่าน ถ้าท่านล่วงรับไปแล้วก็ทำบุญอุทิศส่งไปให้กับท่านอันนี้ก็เป็นการกระทำความดีกับบรรพบุรุษ<ม>กับผู้มีพระคุณทั้งหลายนอกจากนั้นก็เราสามารถทำความดีกับทุกคนทำกับทั้งมนุษย์และสัตว์ในราชาญมีใครมีความตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนเราก็ให้ความช่วยเหลือกัน ไม่ว่าจะเป็นพระเป็นโยมเป็นกาลว่าเป็นคนในบ้านเป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติเป็นพี่น้องหรือเป็นมิตฉหายหรือแม้แต่เป็นคนที่เราไม่รู้จักการช่วยเหลือกันนี้ถือว่าเป็นการกระทาความดีแม้แต่คนไม่ไม่ดีก็ยังต้องช่วยเหลือกันในกรณีที่เขาต้องการความช่วยเหลือ เช่นเวลาเขาเจ็บไข้ได้ป่วยหรืออดอยากขาดแคลนถึงแม้เขาจะเป็นผู้ร้ายเช่นเจ้าหน้าที่ตำรวจไปจับผู้ร้ายแล้วเกิดการต่อสู้กันยิงผู้ร้ายบาดเจ็บแล้วหน้าที่ก็ยังต้องเอาผู้ร้ายไปรักษาพยาบาลต้องหาอาหารให้ผู้ร้ายรับประทานต้องมีที่อยู่อาศัยมีเสื้อผ้าให้ผู้ร้ายเขาใช้เขาให้กินให้เขาใช้อยู่ เพราะนี่มันเป็นหลักของมนุษยธรรมเป็นเป็นคุณสมบัติของมนุษย์คือมนุษย์นี้จะไม่เบียดเบียนกันมนุษย์นี้จะดูแลกันจะช่วยเหลือกันตามอัตภาพตามความเหมาะสมแก่ฐานะนี่คือเรื่องของการทำบุญทำกุศลต่างๆนอกจากการช่วยเหลือแล้วก็ยังต้อง ช่วยเหลือตัวเราเองด้วยการช่วยเหลือตัวเราเองเราก็ต้องศึกษานั่นเองศึกษาหาความรู้ต่างๆถ้าเรายังอยู่ทางโลกเราก็ศึกษาวิชาความรู้ทางโลกเพื่อเราจะได้มีความรู้ไปทำมาหากิน อ, อาชีพที่สุดจริญอาชีพที่ไม่ต้องทําบาปถ้าเรามีพอเพียงแล้ว อยู่ได้ดีแล้วแล้วเราอยากที่จะมาพัฒนาจิตใจของพวกเราต้องการที่จะมากําจัดความทุกข์ที่มีอยู่ในใจให้น้อยลงไปให้หมดไปเราก็ต้องมาศึกษาพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้านี่คือตัวอย่างของการทำความดีต่างๆนอกจากการไม่ทำบาปแล้วเราก็ต้องมาทำ กุศลให้ถึงพร้อมกุศลที่สําคัญที่สุดก็คือการศึกษาพราะธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อให้เรารู้ว่าเรายัางต้องมีการกระทําอะไรอีกอนอกจากการไม่ทําบาปแล้วเราก็ต้องทําบุญทํากุศลให้ถึงพร้อมแล้วเรายัางต้องมาชําระใจให้สะอาดบริสุทธิ์นกําจัดโมหะอวิชชาความมืดบอด ที่หุ้มห่อจิตใจอยู่ทำให้เราไม่สามารถเห็นสิ่งต่างๆที่พระพุทธเจ้าและพระอหรหันตสาวกเห็นกันออก็คือเห็นการเวียนว่ายตายเกิดเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นอบาย อ, อ, อันนี้เราสามารถเห็นได้ถ้าเรามาปฏิบัติข้อที่สามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราปฏิบัติกันก็คือให้เรา ชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์กาจัดความโลภความโกรธความหลงโมหะอวิชชากาจัดตัณหาความอยากต่างๆที่หุ้มห่อจิตใจจนมิชิดทำให้จิตใจไม่สามารถเห็นตัวจิตใจได้ตัวที่จะไปเวียนว่ายตายเกิดได้พวกเราถ้าไม่ได้ศึกษาไม่ได้ภาวนา ไม่ได้ชำระใจให้สะอาดเราจะไม่เห็นว่าเราจะไม่เห็นใจเราจะไม่รู้จักใจเราจะคิดว่าใจกับร่างกายนี้เป็นอันเดียวกันเราจะคิดว่าผู้รู้ผู้คิดกับร่างกายนี้อยู่ด้วยกันอยู่ที่สมองอย่างที่นักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายเขาคิดกันเขาคิดว่าพอร่างกายตาย ผู้รู้ผู้คิดผู้ที่ใช้ผู้ที่สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆก็จะตายไปกับร่างกาย mm hmm. เมื่อร่างกายตายไปแล้วจะมีใครไปรับผลบุญผลบาปที่ไหนล่ะ mm hmm. ทำบาปก็ไม่มีผลตามมาทำบุญก็ไม่มีผลตามมานี่จะเป็นข้อสรุปของผู้ที่ยังไม่ได้บำเพ็ญจิตตะภาวนา ยังไม่ได้ชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ถ้าอยากจะเห็นตัวที่ไปเวียนว่ายตายเกิดว่าไม่ได้ตายไปกับร่างกายจะต้องฝึกจิตตะภาวนาจะต้องมาหัดนั่งสมาธิทำใจให้สงบแล้วก็จเจริญปัญญาจเจริญวิปัสสนาถึงจะสามารถกำจัดโมหะอวิชชาความมืดบอด ที่ครอบคุมจิตใจทำให้จิตใจนี้เป็นเหมือนคนตาบอดไปคนตาบอดคนตาดีแต่ถ้ามีใครเอาผ้ามาม า, มาปิดตาไว้มามาัดปิดตาไว้ก็จะเป็นเหมือนคนตาบอดจะมองไม่เห็นอะไรแต่พอเอาผ้าที่ปิดตาออกก็จะกลายเป็นคนตาดีขึ้นมาพราะเป็นคนตาดีอยู่แล้วเพียงแต่ถูกผ้า มาปิดบังไว้เท่านั้นเอง <Yeah. S 1> ใ, ใจของพวกเราทุกคนนี้ตอนนี้เป็นเหมือนคนตาบอดถูกโมหะอาวิชชาถูกความหลงความไม่รู้ครอบงำจิตใจ <Yeah. S 1> เราจึงต้องมาศึกษาเพื่อให้รู้ว่าจิตใจกับร่างกายนี้เป็นคนละส่วนกัน <Yeah. S 1> จิตใจเป็นนายร่างกายเป็นบาป จิตใจเป็นผู้สั่งให้ร่างกายทําอะไรต่างๆแล้วจิตใจนี่แหละเป็นผู้ไปรับผลบุญ ผ, ผลบาปที่ได้ทำเอาไว้เอทําบุญก็เกิดความสุขใจขึ้นมาทําบาปก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาตายไปอความสุขใจนี้ก็จะเป็นสวรรค์ขึ้นมาในใจความทุกข์ใจก็จะเป็นอบายขึ้นมาภายในใจ นั่งกายไม่ได้เป็นผู้รับผลบุญผลบาปนั่งกายเป็นเหมือนอาวุธเป็นเหมือนเครื่องมือ mm hmm. เช่นเวลาที่คนเขาเอาปืนไปยิงคนตายเนี่ย mm hmm. เขาจับคนที่ใช้ปืนไปลงโทษแต่เขาไม่ลงโทษปืนผู้ที่ฆ่าคนนี้คือปืนอาวุธที่ใช้ฆ่าคนคือปืนแต่ปืนนี้ไม่ได้ถูกจับลงโทษ ผู้ที่ถูกจับลงโทษก็คือผู้ที่ใช้ปืนยันใดร่างกายก็เหมือนกันเวลาที่เราใช้ร่างกายทาบาปหรือทาบุญนี้ผู้ที่รับผลบุญผลบาปนี้ไม่ใช่ร่างกายผู้ที่รับผลบุญผลบาปก็คือใจผู้สั่งผู้ใช้ร่างกายให้ทำบุญหรือทำบาปไปรับตอนที่ตายไปและรับตอนที่ขณะที่มีชีวิตอยู่ พอทําปุ๊บมันก็จะเกิดผลขึ้นมาทันทีทําบุญก็จะเกิดความสุขใจอิ่มใจขึ้นมาทําบาปก็จะเกิดความทุกข์ใจเกิดความวุ่นวายใจขึ้นมาทันทีอันนี้เกิดขึ้นในขณะที่ทำแล้วก็ไม่หมดหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วหลังจากที่ร่างกายตายไปความสุขที่เกิดจากการทําบุญก็จะส่งผลต่อไป ความทุกข์ที่เกิดจากการทำบาปก็จะส่งผลต่อไปทำให้จิตใจต้องไปเกิดใหม่ไปเกิดในที่ต่างๆไปเกิดไปเป็นเทวดาบ้างถ้าเป็นบุญพาไปไปเกิดเป็นเดรัจฉานบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นอสุนรกายบ้างไปนรกบ้างถ้ามีบาปเป็นผู้พาไปแต่ยังต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ต่อ หลังจากที่บุญและบาปที่ส่งให้ไปเกิดนั้นหมดกําลังลงบุญที่ส่งให้ใจไปเกิดนี่ก็เป็นเหมือนน้ำมันรถยนต์นี่เองน้ำมันรถยนต์ที่เราเติมในรถเพื่อที่เราจะได้ขับรถไปไหนมาไหนได้พอเราขับรถไปไหนมาได้สักระยะหนึ่งน้ำมันที่เติมก็จะหมดเมื่อน้ำมันหมดเราต้องทำอย่างไรเราก็ต้องจอดตามสถานีบริการ จอดแวะเติมน้ำมันนั่นเองจันใดหลังจากที่บุญหรือบาปที่ส่งให้เราไปเกิดในสวรรค์หรือในอบายหมดกำลังลงเราก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่มาเติมน้ำมันใหม่เพราะเรายังอยากที่จะไปทำอะไรต่างๆอยู่ยังอยากจะไปหาความสุขผ่านทางร่างกายอยู่ อยากจะหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลพระเยอะพอเราหมดเวรหมดบุญหมดกรรมเราก็มาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วเราก็มาหาความสุขทางตาหูจมูกล่้นกายใหม่แล้วก็ทำบุญหรือทำบาปไปแล้วแต่เหตุการณ์แล้วแต่โอกาสที่จะพาไปพาให้ทำถ้ามาเกิดเราเงินทองไม่พอใช้ ก็อาจจะต้องไปทำบาปเพื่อที่จะได้มีเงินทองมาใช้หาซื้อความสุขต่างๆถ้ามีเงินทองมากเหลือกินเหลือใช้ก็อาจจะเอาไปทำบุญนี่เราสาเหตุทำไมเราจึงมาเกิดเป็นมนุษย์กันแล้วมาทำบุญ<ม>ทำบาปกัน<ม>ก็เพราะอยู่ที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่เรามาเกิดนี้เอง สิ่งแเหตุีเหตุแรกที่พายเรามาเกิดก็เพราะว่าเรายังมีความอยากมีกิเลสตัณหาอยู่มีโมหะอวิชชาอยู่เรายังไม่รู้ว่าความสุขที่แท้จริงนี่อยู่ที่ไหนเรายังไม่รู้ว่าความสุขที่เรากําลังหากันนี้ความจริงมันเป็นความทุกข์มากกว่าเป็นความสุขเราก็เลยต้องมาหาร่างกายมามีร่างกาย เพราะว่าเราคิดว่าการมีร่างกายจะทำให้เราหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้นั่นเองพอมีร่างกายเราก็ไปดูไปฟังได้ไปริมโนดดมกลิ่นได้ไปสัมผัสอะไรผ่านทางร่างกายได้เราก็เลยมารอรับร่างกายหลังจากที่ร่างกายที่เราไม่อยู่ตายไปแล้วเราก็ไปรอรับร่างกายอันใหม่ ช่วงที่รอรับร่างกายก็ต้องไปใช้ผลบุญผลบาปก่อนทำบุญก็ไปรับผลบุญในสวรรค์ก่อนทำบาปก็ไปรับผลบาปในอบายก่อนเพอบุญบาปที่ส่งเราไปหมดกำลังเราก็มารอรับร่างกายอันใหม่มาเป็นมนุษย์ใหม่มาเกิดใหม่พอเราเกิดใหม่เราก็จะมาหาเงินหาทองกัน เพราะเงินทองเป็นปัจจัยที่เราจะต้องใช้ในการหาความสุขต่างๆถ้าเราโชคดีหาเงินได้มากกว่าที่เราต้องการใช้เราก็ไม่ต้องไปทำบาปนอกจากไม่ทำบาปเราก็จะได้ทำบุญพ่าเมื่อเรามีมีเงินเหลือใช้เก็บไว้ไม่รู้จะทำอะไรบางทีมีเพื่อนผูงมาชวนให้ไปทาบุญ เ, เราก็เห็นว่าทำก็ทำ ทำก็ดีเหมือนกันทำแล้วก็ทำให้คนอื่นเขาสบายมีความสุขเราก็ยินดีเราก็ได้ทำบุญในทางตรงกันข้ามถ้าเรามาเกิดแล้วเราเกิดยากจนไม่สามารถหาเงินหาทองได้อย่างพอเพียงกับความต้องการของเราเราก็จะต้องไปทำบาปด้วยวิธีการต่างๆเพื่อที่เราจะได้ มีเงินทองหรือมีความสุขจากการกระทำบาปนี้เองอันนี้แหละจึงทำให้เราต้องเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยเพราะเหตุเหตุคือร่างกายมันไม่มันไม่ถาวรนั่นเองร่างกายเกิดแล้วมันก็อยู่ได้ไม่เกินร้อยปีเป็นส่วนใหญ่หลังจากนั้นมันก็ต้องตายไปแต่ความอยากที่จะใช้ร่างกายหาความสุขต่างๆ มันยังไม่ได้ตายไปกับร่างกายมันอยู่ที่ใจที่ไม่ได้ตายนี้ใจที่ไม่ได้ตายก็เลยต้องมาเกิดใหม่แต่ถ้าเราได้มาพบกับคนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้าหรือพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือพระอริยสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าเราก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องเวียนว่ายตายเกิดของใจ เราก็จะได้เรียนรู้เรื่องการไปเกิดในสวรรค์เกิดในอบายว่าเกิดจากเหตุอะไรและเราก็จะได้เรียนรู้วิธีที่จะหยุดการเวียนว่ายตายเกิดว่าจะหยุดได้อย่างไรจะต้องกาจัดอะไรนี่คือความรู้ที่เราจะไม่มีวันรู้ได้ถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์นี่แหละเป็นแสงสว่าง นำทางที่เรียกว่าแสงสว่างแห่งธรรมธรมโมปดีโปปทีปแห่งธรรมแสงสว่างแห่งธรรมที่จะให้เรารู้เรื่องของเราว่าเรากำลังทำอะไรอยู่และเราจะไปรับผลของการการะทานั้นที่ไหนอย่างไรถ้าเราไม่ได้มาศึกษาไม่ได้มาฟังเทศฟังธรรมเราจะไม่รู้เลยว่าวันวันหนึ่งเราทำอะไรบ้าง แล้วเราจะรับผลจากการกระทาของเราอย่างไรเราจะรู้ได้ก็เพียงแต่ส่วนที่เรามองเห็นเท่านั้นก็คือส่วนของร่างกายเราก็รู้ว่าถ้าทาผิดกฎหมายถ้าถูกจับก็ไปติดคุกติดตารางถ้าโทษหนักก็ถูกประหารชีวิตถ้าทำบุญทำความดีเราก็อาจจะได้รับรางวัลได้เลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งได้ขึ้นเงินเดือน ได้รับความชมเชยยกย่องสรรเสริญให้เกียรติบัตรเกียรติคุณให้เครื่องราชต่างๆอันนี้ก็เราก็จะเห็นแค่นี้แต่ในที่สุดเราก็จะเห็นว่าของต่างๆที่เราหามาได้ในในพบนี้ชาตินี้ไม่ว่าจะเป็นลาบยศสรรเสริญไม่ว่าจะเป็นความสุขต่างๆทางตาหูจมูกลิ้นกาย ในที่สุดมันก็จะต้องมีวันสิ้นสุดลงเมื่อร่างกายถึงแก่ความตายไปเราก็จะรู้แค่นี้เราก็อาจจะคิดว่ามันก็มีแค่นี้ชีวิตของพวกเราก็มีแค่นี้ก็อาจจะทำให้เราไม่ค่อยอยากจะทำบุญกันไม่ค่อยอยากจะทาไม่ค่อยอยากจะละการกระทำบาปกันบาเวลาจากจะหาความสุขบางทีมันต้องทำบาปมันถึงจะได้ถ้าไม่ได้ทาบาปแล้วมันไม่ได้ ก็อยากจะเมาอยากจะดื่มสุราให้เมาเนี่ยเมาแล้วมันสบายเวลาไม่เมามันเครียดเนี่ยทำงานทำการมามีเรื่องวุ่นวายใจพอต้องผ่อนคลายไม่รู้จะผ่อนคลายอย่างไรก็ผ่อนคลายด้วยการดื่มสุราด้วยการเที่ยวกลางคืนอันนี้มันก็จะทำให้เราไม่อยากจะละเว้นการกระทำบาปเพราะมันเป็นเครื่องมือที่จะช่วยผ่อนคลาย ความเครียดความทุกข์ใจของเราไปได้แม้จะเป็นช่วยระยะเวลาสั้นๆแม้จะเกิดโทษร้ายแรงตามมาทีหลังแต่เรามองไม่เห็นโทษที่จะตามมากันเราก็ทำกันไปนี่ก็เป็นเพราะว่าถ้าเราไม่ได้มาศึกษาไม่ได้มาพบคนฉลาดอย่างพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็จะแก้ปัญหาของเราด้วยวิธีที่ไม่ถูก แทนที่จะแก้ปัญหากับเพิ่มปัญหาให้กับเราโดยไม่รู้สึกตัวการไปทำบาปการไปเสพอบายะมุกนี่มันไม่ใช่เป็นวิธีแก้ปัญหาแต่มันเป็นวิธีที่จะเพิ่มปัญหาให้กับเราไปเสพแล้วมันก็ติดติดสุราติดยาเสพติดแล้วเงินทองถ้าไม่พอใช้ก็ต้องไปช่อโกงไปรักทรัพย์ เพื่อที่จะมาซื้อของเสพติดต่างๆต่อไปแล้วถ้าผิดพลาดถูกตำรวจจับก็อาจจะต้องไปติดคุกติดตารางถ้าโทษหนักก็ถูกประหารชีวิตนี่คือส่วนที่เห็นส่วนที่ไม่เห็นตายไปแล้วก็ยังต้องไปต่อไปเกิดในอบายต่อการที่ได้มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาสอนเรื่องราวเหล่านี้ มันก็เลยเป็นเหมือนแสงสว่างในที่มืดท่านบอกว่าอย่าไปทางนี้ไปทางนี้แล้วมีแต่ภัยอันตรายเหมือนกับป้ายบอกทางตามถนนะพอที่ไหนมีทางโค้งอันตรายนี้เขาจะต้องเขียนป้ายเตือนไว้ล่วงหน้าก่อนว่าโค้งอันตรายลดความเร็วห้ามวิ่งเกินความเร็วขนาดนี้ขนาดนี้ถ้าวิ่งเกินแล้วแหกโค้งตกเหวตาย นี่ก็เหมือนกันธรรมะก็เป็นเหมือนป้ายบอกทางเตือนภัยให้กับพวกเราว่าอย่าทาบาปกันทำบาปแล้วนี้จะมีพิษมีภัยต่อจิตใจของพวกเราและร่างกายของพวกเราในขณะที่มีชีวิตอยู่และมีพิษมีภัยต่อไปหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วก็วจะต้องไปเกิดในอบายต่อ เราก็มาเขียนป้ายบอกว่าให้ไปทางนี้ไปทางสวรรค์ไปทางบุญให้มาทำความดีกันดีกว่ามาทำประโยชน์ให้กับตัวเราและกับผู้อื่นแล้วเราจะมีความสุขเบื้องต้นก็ทำประโยชน์ให้กับตัวเราก่อนด้วยการทำมาหากินอาชีพที่สุดจลิตขยานหาเงินหาทองได้เงินทองมาก็ให้รู้จักเก็บรู้จักใช้ใช้เท่าที่จําเป็น อย่าไปใช้กับอบายามุขอย่าไปใช้กับของฟุ่งเฟยต่างๆเพราะจะทำให้เงินทองไม่พอใช้ได้และอาจจะทำให้ต้องไปทำบาปได้แต่ถ้ารู้จักใช้รู้จักหารู้จักเก็บก็จะไม่ต้องไปทำบาปแล้วก็จะมีโอกาสได้ทำบุญได้ทำประโยชน์ได้ช่วยเหลือคนอื่นทำให้เราสร้างสวรรค์ขึ้นมาในใจของเรา สร้างความสุขขึ้นมาในใจของเรามีความสุขในขณะที่มีชีวิตยอยู่แล้วหลังจากที่ตายไปก็ไปอยู่ในสวรรค์แล้วก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ถ้าไม่อยากจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็ต้องยุติเหตุที่พาให้เรากลับมาเกิดกันเหตุที่พาให้พวกเรากลับมาเกิดกันก็คือกิเลสตัณหานี่เอง ความโลภความโกรธความโง่ความอยากต่างๆเป็นตัวที่ผลักดันให้จิตของเราต้องกลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลพทพะทำให้เราต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายถ้าไม่อยากจะมีตาหูจมูกลิ้นกายถ้าไม่ต้องการจะมาเกิดเราก็ต้องระ ง, งับความอยากในรูปเสียงก ล, งลิ่นรสผททพะการจะระงับได้เราก็ต้องมา หยุดใจมาทำใจให้สงบเราก็ต้องมาปฏิบัติจิตตะภาวนาจิตตะภาวนาแปลว่าการพัฒนาจิตใจให้จิตใจที่ต่านี้ให้เป็นจิตใจที่สูงพัฒนาจากจิตใจของผุตุชนไปเป็นจิตใจของพระอริยบุคคลพระละพระอริยบุคคลเป็นผู้มีจิตใจที่สูงเพราะเป็นจิตใจที่สะอาดบริสุทธ ที่ไม่มีโทษกับใครมีแต่คนมีประโยชน์ทั้งกับตนเองและกับผู้อื่นจิตใจของปุตโชนนี้ยังเป็นจิตใจที่มีพิษมีภัยทั้งกับตนเองและกับผู้อื่นเพราะจิตใจของปุตชนนี้ยังถูกอำนาจของกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆคอยผลักดันให้ไปทำสิ่งที่เป็นอันตรายเป็นโทษเป็นพิษเป็นภัย กับตนเองและกับผู้อื่นอยู่เรื่อยๆจึงต้องมากําจัดตัวที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ของความวุ่นวายใจต่างๆของความเสื่อมเสียทั้งหลายอยู่ที่ความโลภความโกรธความหลงอยู่ที่ความอยากต่างๆนี้เองจะกําจัดได้ก็ต้องใช้สมถะ ภ, ภาวนาและวิปัสสนาภาวนาเสมถะ ภ, ภาวนาขั้นต้นเป็นการภาวนาขั้นที่หนึ่ง วิปัสสนาภาวนาเป็นการภาวนาเป็นการปฏิบัติขั้นที่สองขั้นแรกเราต้องมาหยุดใจก่อนมาทำใจให้สงบก่อนพอเวลาใจสงบเราก็จะหยุดกิเลสตัณหาหยุดความโลภความโกรธความหลงหยุดความอยากไว้ชั่วคราวก่อนเราจะทำให้เราเกิดความสุขใจขึ้นมาที่เราไม่เคยพบมาก่อน ความสุขที่เกิดจากความสงบนี้เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงที่มีอยู่ในโลกนี้ความสุขที่ได้จากราบยศสรรเสริญความสุขที่ได้จากรูปเสียงกลิ่นรสผดผาดนี้สู้ความสุขที่ได้จากการทําใจให้สงบไม่ได้พอเราได้พบกับความสุขอันนี้เราก็จะได้หยุดหาความสุขที่เราเคยหามาได้ เพราะเราได้พบความสุขที่ดีกว่านั่นเองเหมือนกับถ้าเราได้รถยนต์คันใหม่รถยนต์คันเก่าที่เราใช้อยู่เราก็ทิ้งมันได้เพราะเราได้รถคันใหม่ที่ดีกว่าคันเก่าเรื่องอะไรจะไปใช้รถคันเก่าเมื่อมีรถรุ่นใหม่ที่ดีกว่าวิ่งได้เร็วกว่ามีเครื่องอำนวยความสะดวกความสบายพ้อมูลดีกว่าคันเก่าคันเก่าเราก็ทิ้งได้ ยันได้ความสุขที่เราเคยได้จากราบยศสารเสริญความสุขที่เราได้จากรูปเสียงกลิ่นรสผลพระเราก็จะเลิกได้เราก็จะหยุดตันหาความอยากในสิ่งเหล่านี้ได้ถ้าเรามีความสุขที่เกิดจากความสงบเพียงแต่ว่าความสุขที่เกิดจากความสงบนี้มันสงบเป็นพักๆเท่านั้นเองมันสงบเพียงตอนที่เราอยู่ในสมาธิ แต่พอออกจากสมาธิความสุขนี้ก็จะหายไปชั่วคราวหายไปแล้วความอยากที่จะกลับไปหาความสุขแบบเดิมก็ยังเกิดขึ้นมาได้เหมือนกับได้รถคันใหม่มาใช้ชั่วคราวทางร้านเขาให้มายืมใช้เวลาได้มาใช้เราก็ไม่ต้องใช้คันเก่าแต่พอเราต้องไปคืนรถให้กับบริษัทเขาเราก็ต้องกลับมาใช้รถคันเก่าต่อไปวิธีที่เราจะ เลิกใช้รถคันเก่าก็คือเราต้องพยายามหาเงินซื้อรถคันใหม่มาให้ได้ให้มาเป็นของเราตลอดเวลาเมื่อเรามีรถคันใหม่อยู่กับเราตลอดเวลาเราก็ไม่ต้องไปใช้รถคันเก่าได้ฉันใดเวลาที่เราออกจากสมาธิความสงบที่เราได้มันก็จะหายไปแล้วความอยากที่จะกลับไปหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญ หาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลพทพะก็จะโผล่ขึ้นมาใหม่ถ้าเราอยากจะไม่ให้มันโผล่ขึ้นมาเราก็ต้องใช้ปัญญาที่พระพุทธเจ้าได้ส่งคนพบคือความรู้ที่เกี่ยวกับสิ่งที่เราอยากได้คือความรู้เกี่ยวกับราบยศสรรเสริญสุขนี้เองท่านจะสอนเราว่าราบยศสรรเสริญสุขนี้มันมีทั้งขึ้นและมีทั้งลงคือมีทั้งเจริญและมีทั้งเสื่อม มีทั้งสุขและมีทั้งทุกข์เนี่ถ้าไปได้ราบยศสรรเสริญสุขมาแล้วมันจะสุขตอนต้นสุขตอนที่ได้แต่มันไม่เที่ยงปัญหาคือมันไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันจะไม่เจริญไปเรื่อยๆมันจะต้องมีวันเสื่อมมีวันหมดพอมันเสื่อมวันมันหมดมันก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมา โลกธรรมแปดเนี่ยท่านบอกว่ามีการเจริญราบก็มีการเสื่อมราบเป็นธรรมดามีการเจริ ญ, ญยศก็มีการเสื่อมยศเป็นธรรมดามีสรรเสริญก็มีนินทาเป็นธรรมดามีสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็มีความทุกข์ทางตาหูจมูกลิ้นกายเป็นธรรมดามันผัดกันมาผัดกันไปถ้าเราไม่อยากจะได้ความทุกข์จากสิ่งเหล่านี้ เราก็อย่าไปหามันอนี่คือปัญญาปัญญาของวัตเจ้าบอกว่าอย่าไปหาความทุกข์มันไม่ใช่เป็นความสุขอกลับไปหาความสุขที่แท้จริงดีกว่าพออยากจะไปเที่ยวก็กลับไปนั่งสมาธิดีกว่าอไปทําใจให้สงบพอใจสงบแล้วความอยากเที่ยวก็จะหายไปหยุดไปอทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆทุกครั้งที่เกิดความอยาก ทุกครั้งที่เกิดความอยากก็ฝืนมันอยากไปทำตามมันไปนั่งสมาธิไปทำใจให้สงบแล้วต่อไปความอยากต่างๆมันก็จะหมดกําลังลงเหมือนกับทุกครั้งที่จะกลับไปใช้รถคันเก่าก็ไปขอเอาเงินไปจ่ายผ่อนซื้อรถคันใหม่ดีกว่าจะได้มีรถคันใหม่ใช้อยู่เรื่อยๆต้องแต่ต้องคอยผ่อนอยู่เรื่อยๆ ถ้าหยุดผ่อนเมื่อไหร่เดี๋ยวเขามายึดคืนไปได้อันนี้ก็เหมือนกันทุกครั้งที่เกิดความอยากที่จะกลับไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็ต้องใช้ปัญญามาสอนว่ามันเป็นความทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงมีกามีได้มาแล้วก็ต้องมีการเสียไปไม่ว่าจะเป็นอะไรทั้งนั้นได้ลาบมาแล้วเดี๋ยวก็ต้องเสียลาบไปได้ยศนาแล้วเดี๋ยวก็ต้องเสียยศไปเห็นไหมมีใครเป็นนายกไปตลอดนะไม่มี มีใครเป็นกษัตริย์ไปตลอดไหยไม่มีมีใครเป็นประธานาธิบดีไปตลอดไหยไม่มีจะต้องมีวันต้องเสียไปไม่เสียตอนเป็นก็ต้องเสียตอนตายนี่คือปัญญาความรู้ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นอนิจจังไม่เที่ยงแท้แน่ น, นอนเป็นอนัตตาไม่ใช่เป็นของเราอย่างแท้จริงเราควบคุมบังคับมันไม่ได้ ควบคุมให้อยู่กับเราเป็นของเราไปตลอดไม่ได้ห้ามไม่ให้มันเสื่อมไม่ได้ห้ามไม่ให้มันจากเราไปไม่ได้พอมันเสื่อมพอมันจากเราไปมันก็ทําให้เราทุกข์กันถ้าเราไม่อยากทุกข์กันก็อยากไปอยากได้เหมือนความอยากมันจะทําให้เรายึดเราติดแล้วพอมันไม่ได้มันจะทํำพอมันจากเราไปแล้วมันจะทําให้เราทุกข์กันทุกครั้งที่เกิดความอยากได้อะไรให้คิดแบบนี้ ให้คิดว่ามันไม่ได้เป็นความสุขอย่างที่เราคิดดอกมันเป็นความสุขรลอมเป็นความสุขที่จะมีความทุกข์ตามมาต่อไปเพราะมันเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขแบบควันไฟสู้กลับไปหาความสุขที่แท้จริงดีกว่าที่จะอยู่กับเราไปตลอดก็คือความสงบของใจนี้เองถ้าเราเข้าสมาธิได้แล้วเราก็สามารถเข้าสมาธิได้ทุกครั้ง อย่องก่อนที่เราจะไปทางปัญญาเราต้องฝึกสมาธิให้มั่นคงก่อนให้สามารถชำนาญก่อนสามารถเข้าสมาธิได้ทุกเวลาที่เราต้องการเวลาที่เกิดความทุกเกิดความอยากขึ้นมาเราจะได้ระ ง, งับมันได้แต่ถ้าเรายังไม่ชำนาญยังน้มลุกคุกคานอยู่บางทีก็เข้าได้บางทีก็เข้าไม่ได้มันจะลําบากมันจะทําให้เราต่อสู้กับความอยากไม่ไหวเ ก็ต่อสู้กับความอยากพอเกิดความอยากขึ้นมาก็ขบับหลบเข้าไปในสมาธิแต่เข้าไม่ได้เข้าไม่ได้มันก็ทุกข์พอมันทนไม่ไหวมันก็เลยต้องไปทำตามความอยากพอไปทำตามความอยากมันก็เลยไปส่งเสริมความอยากให้มันเยอะยืดออกไปให้มันยาวออกมาให้มันมีอายุเพิ่มขึ้นนั่นเองเังนั้นก่อนที่เราจะมาทางปัญญาเพื่อมากาจัดความอยาก ขอให้เรามีความชํานาญในทางสมาธิก่อนดีกว่าเพราะเราจะต้องใช้สมาธิควบคู่กับปัญญาในการที่จะกําจัดความอยากดับความทุกข์ได้ถ้าสมาธิเรายังไม่ชํานาญยังน้มลุกคุกคานอยู่มันจะทําให้งานปราบความอยากนี้เป็นไปได้ยากและจะทําไม่สําเร็จนั่นเองเราจึงต้องใจเย็นๆอย่ารีบร้อนเอาสมาธิให้มันมั่นคงก่อนให้มันเก่งก่อน ขับรถให้เก่งก่อนก่อนที่จะไปลงสนามแข่งถ้าขับแบบยังไม่เก่งนี่อย่าไปลงสนามเดี๋ยวชนกันตายคนที่เขาขับรถในสนามแข่งนี่เขาต้องมีฝีมือมากเขาต้องฝึกซ้อมมากเขาถึงสามารถลงสนามแข่งรถได้อันนี้ก็เหมือนกันการที่เราจะมาใช้ปัญญาเพื่อมาทําลายกิเลสตัณหาตัวที่ก่อพบเก่อชาติให้กับเรา เราก็ต้องฝึกสมาธิให้ชำนาญก่อนเพราะถ้าเราไม่ชำนาญเวลาที่เราต้องเข้าสมาธิเราจะเข้าไม่ได้เมื่อเราเข้าไม่ได้แทนที่จะหยุดความอยากเราก็จะต้องไปทำตามความอยากความอยากมันก็เลยจะไม่มีวันหมดมันก็จะยืดเยื้อไปยาวงั้นใจเย็นๆก่อนดีกว่ามาทำสมาธิให้ชำนาญก่อนต้องการเข้าสมาธิเมื่อไหร่ก็เข้าได้เดี๋ยหยุดมันได้ หยุดความอยากได้เมื่อไหร่ตอนนั้นแหละถึงจะค่อยไปใช้ปัญญาสู้กับมันอีกทีหนึ่งเพราะปัญญาจะทําให้หยุดได้อย่างถาวรถ้าหยุดด้วยสติมันจะหยุดได้ชั่วคราวเพราะมันไม่รู้เหตุผลว่าทําไมต้องหยุดหยุดอแต่ถ้ามีปัญญาจะรู้ว่าที่ต้องหยุดก็เพราะว่ามันเป็นอันตรายต่อจิตใจมันเป็นต้นเหตุของความทุกข์ต้นเหตุของการเกิดแก่เจ็บตายนี้เองอ น, นี่คือการภาวนาขั้นที่สอง ที่เรียกว่าวิปัสสนาภาวนาต้องผ่านขั้นที่หนึ่งก่อนคือสมถะ ภ, ภาวนาทำใจให้สงบแล้วการทำใจให้สงบนี่แหละที่จะทำให้เราได้เห็นความจริงของจิตใจของเราเวลาจิตใจสงบนี้จิตใจจะแยกออกจากร่างกายจะแยกออกจากความคิดปรงแต่งจะทำให้เรารู้ว่าจิตใจกับร่างกายนี้เป็นคนละส่วนกัน ร่างกายตายไปจิตใจนี้ไม่ได้ตายจิตใจนี้แหละที่จะไปรับผลบุญผลบาปผลบุญผล บ, ญ บ, ญบาปก็อยู่ในจิตใจ น, นั่นแหละก็คือความสุขความทุกข์เนความสุขใจก็เป็นสวรรค์เวลาไม่มีร่างกายความทุกข์ใจก็เป็นอบายเวลาที่ไม่มีร่างกายเท่านั้นเองไม่สงสัยเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดไม่สงสัยเรื่องนรกเรื่องสวรรค์ไม่สงสัยเรื่องบุญเรื่องบาปอีกต่อไปะ นี่คือวิธีที่เราจะสามารถพิสูจน์คำสอนของพระพุทธเจ้าได้ว่าเป็นสวากขาโตภะวตาธรรมโมเป็นธรรมที่ตัดไว้ชอบแล้วเป็นสันติโกที่ผู้ปฏิบัติผู้ศึกษาจะพิสูจน์ได้ด้วยตนเองเป็นอาการลิโกไม่มีวันเสื่อมไปตามการตามเวลาสามารถพิสูจน์ได้ทุกยุคทุกสมัยว่าเป็นความจริง สามารถนำเอามากำจัดความทุกข์ต่างๆหยุดการเวียนว่ายตายเกิดได้ในทุกยุคทุกสมัยไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดอายุอาการลิโกต้องเป็นผู้ฉลาดเท่านั้นถึงจะเข้าถึงธรรมของพระพุทธเจ้าได้คือเป็นผู้ที่ฟังหูไวห้หูไม่ใช่ฟังแล้วพอขาดเกียวกับความเห็นความรู้สึกนึกเห็นของตนก็จะปฏิเสธไปทันที ถ้าปฏิเสธปั๊บก็ถือว่าเป็นคนโง่ทันทีถ้าเชื่อโดยไม่นําออกไปปฏิบัติก็โง่เหมือนกันเอเชื่อแล้วก็เพียงแต่จุดทูปเทียนสามดอกไหว้พระเหมือนกับไหว้เจ้าแล้วก็ขอนิพพานอย่างนี้ก็เป็นคนโง่เหมือนกันเอันนี้ไม่ใช่เป็นคนที่จะสามารถเข้าถึงพระธรรมอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าได้ผู้ที่เข้าถึงได้ต้องเป็นคนที่ฉลาดผู้ที่จะต้องศึกษาและพิสูจน์ด้วยตนเอง เป็นวินยูหิเป็นวินยูชนคนฉลาด น, นี่คือคุณสมบัติต่างๆของพระธรรมคำสอนที่พวกเราควรที่จะศึกษาและพิสูจน์กันเพราะการศึกษาและพิสูจน์เท่านั้นถึงจะทำให้เรารู้ว่าพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้านี้วิเศษอย่างไรการแสดงก็คิดว่าพอสมควรก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยาถาวะเลวะหาปุราปะเลปุเรนติสาคามเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปการปติอิชิตังปัต an ิตังตุมหังค um ิปเมวะสัม e ิจโตสัพเพปุเรนโตสังกาปาจันโทปนะระโสยาถามณิโชติระโสยะ ท่าสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพรพโลควีนาสตุมาเตภวะตวันตรารโยสุขีทีขายุโกภวาพภิวาทานาสีลิตสะนิจังวุธาปจายโนจัตรมมารโอธรรมวัทัานติอายุวันโอสุขังภาลั อตอบไปี้เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมใครมีคำถามขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยขอให้ถามจนถึงเวลาที่เราเลิกประชุมกันหลังจากประชุมเลิกประชุมแล้วก็ขอของดถามตอบจะไม่มีการถามตอบแบบส่วนตัวถ้าไม่อยากจะามาถามเองก็เขียนใส่กระดาษเข้ามาก็ได้แล้วให้ พิธีกรอ่านคำถามให้วันนี้เข้ามาเท่าไหร่เฟซบุ๊กสามร้อยห้าสิบเก้าคนครับย o u t u หนึ่งร้อยห้าสิบเก้าคนครับวิทยุออนไลน์สามสิบเจ็ดคนครับปูรฟางบนเขาหนึ่งร้อยสิบสองคนครับรวมทั้งหมดหก7้อยหกสิบเจ็ดคนคราาับอาจารย์อ๋อวันนี้หวยออกตองหก <6. S 1> เองวนนะี้ <laughs> วันนี้วันหวยออกก็ดี <laughs> โอบตีเลขตีเบอร์ก็มารอฟังตอนนี้น ะ, นะ <c oughs> อ่ามีคำถามก็ถามได้เลยคำถามจากทางไลน์ค่ะกลารรมสกา ร, รพระอาจารย์ครับคำถามคือการวางจิตให้เป็นกลางคือการวางจิตไม่ให้ยินดีในสิ่งที่เราพอใจและไม่พอใจใช่หรือไม่ครับแต่ขณะที่เราพิจารณากาย หรืออสุภะต่างๆว่าเป็นของไม่สะอาดน่ารังเกียจเพื่อไม่ให้ยึดติดกับรูปกายขณะที่จิตพิจารณาอยู่นั้นถือว่าเราน้อมจิตไปคิดมันเป็นสภาวะปรุงแต่งจิตไหมครับแล้วมันจะขัดแย้งกันไหมครับรบกวนพระอาจารย์ไขข้อสงสัยด้วยครับ อ, อ๋อความคิดนี้มันคิดแบบมีอารมณ์ก็ได้คิดแบบไม่มีอารมณ์ก็ได้อยู่ที่ว่า จิตของผู้คิดนั้นมีอารมณ์หรือไม่ถ้ามีอารมณ์กับสิ่งที่คิดมันก็จะคิดด้วยอารมณ์เช่นถ้าไม่ชอบอสุภะเวลาพิจารณาอสุภะมันก็จะเกิดความไม่ชอบขึ้นมาไม่ยินดีขึ้นมาขยะขยะงไม่อยากจะพิจารณางนั้นก่อนที่จะพิจารณาได้แบบไม่มีอารมณ์ก็ต้องฝึกสมาธิก่อน พอเวลาทำจิตให้สงบเป็นสมาธิจิตจะมีอุเบกขาพอามีอุเบกขาก็จะสามารถพิจารณาแบบไม่มีอารมณ์ได้พิจารณาความตายได้พิจารณาอสุภะได้พิจารณ า, า, าอะไรก็ได้จะไม่ยินดียินร้ายกับสิ่งที่ต้องพิจารณาท้่พิจารณาสิ่งที่พิจารณาก็เพาะสิ่งเหล่านี้เราไม่ชอบพิจารณากันเช่นอสุภะเช่นความตาย ความไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันเป็นสิ่งที่เราไม่ชอบพิจารณากันเราจึงลืมว่ามันเป็นความจริงไปพอมันเกิดขึ้นมันก็เลยทำให้เราทุกข์กันแต่ถ้าเรารู้ทันถ้าเรารู้ว่ามันเป็นความจริงที่จะต้องเกิดเราต้องเตรียมตัวเราต้องพิจารณาอยู่บ่อยบ่อยมันก็จะทำให้เราไม่ทุกข์เวลาที่ต้องเจอเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้นมาคาถามต่อไปค่ะ นมัสการพระอาจารย์โยมเคยฟังเทศพระพุทธเจ้าว่าภรรยาเป็นผู้มีศีลได้สามีทุศีลเท่ากับเทวดาได้สามีผีโยมไปถือศีลเคยถามพระว่าทำไมเราได้สามีไม่ดีไม่เข้าวัดด่าว่าเราท่านว่าเป็นกรรมเคยก่อกันมาโยมไม่อยากเจอกันอีกชาติ ก็เลยเร่งปฏิบัติภาวนาถือศีลห้าสมาทานศีลทำวัดเช้าเย็นใส่บาตรทุกวันหยุดวันหยุดก็ไปถือศีลแปดเป็นประจำเพราะคิดว่าศีลศีลที่ดีเพราะคิดว่าศีล เ, เยอะกว่าศีลไม่เสมอกันจะจบกันชาติเดียวโยมปฏิบัติถูกหรือไม่เจ้าคะไม่ถูกหรอก การที่เรามีคู่ครองไม่ดีก็เพราะเราเลือกไม่เป็นเั้านั้นเองดูคนไม่เป็นเหมือนไปซื้อรถเนี่ยเลืซื้อรถไม่เป็นซื้อรถเสียมาขับเองเพราะไม่ทดลองวิ่งก่อนพอเขาบอกก็ดีอย่างงั้นก็ดีนี่ก็เชื่อเขาจ่ายเงินเข้าไปแล้วพอมาขับมันก็เสียดังนั้นก่อนที่จะซื้อรถก็ต้องขอทดลองขับก่อนสิ ใช่ก่อนที่เจ้าเข้ามาเป็นแฟนก็เป็นแฟนชั่วคราวก่อนสิก็ถึงมีมั่นกันเนะสมัยก่อนเขามั่นกันนะเขาไม่ใช่ว่านึกอยากจะได้ใครก็แต่งกันเลยะเขาต้องมั่นแล้วก็ทดสอบเนี่ยลองไปเดินขึ้นภู ก, กระดึงด้วยกันดูเราจะได้รู้ว่าเขาเป็นคนอย่างไรดูว่าเป็นรถที่มีกําลังขึ้นเขาได้หรือเปล่าถ้าไปอยู่แต่ ไปเที่ยวกันไปเล่นกันมันก็มันก็มองไม่เห็นท่าแท้ของคนน่ะสิอยาเห็นท่าแท้ก็ตอนที่ต้องตกทุกข์ยากลำบากตอนที่เจ็บไข้ได้ป่วยตอนที่มีปัญหานี่ถึงจะรู้ว่าเขาจะเป็นคนแบบไหน mm hmm. นะมันไม่ใช่เรื่องของบุญกรรมหรอกเรื่องของความโ ง, ง่ความฉลาดมากกว่าก็อยู่ดีๆเราอยู่คนเดียวเราไปเลือกจะเอาใครเราก็เลือกได้ไม่ใช่เหรอ จะเอาคนแบบไหนเราก็เลือกได้แต่ส่วนใหญ่เราเลือกไม่เป็นกันไม่มีคนสอนให้เลือกเหมือนเลือกเพชรก็เอาแต่เจอแต่เพชรปลอมเพราะไม่เคยไปศึกษาวิธีเลือกคนว่าให้ดูตรงไหนเขาให้ดูที่จิตใจคนน่ะไม่ให้ดูที่รูปร่างหน้าตาไม่ให้ดูที่ฐานะการเงินการทองอแต่สมัยนี้เราจะมองตรงนี้มากกว่ามองที่รูปร่างหน้าตา เราที่สมบัติว่าเขามีสมบัติมากน้อยหรือเปล่าเราก็เลยไม่รู้ว่าเขาดีชั่วหรือเปล่าเป็นอย่างไรนะเพราะฉะนั้นการที่เราจะอยู่กับใครสักคนนี้จจเย็นๆ เ, เพราะเราจะต้องอยู่กับเขาไปจนวันตายเนี่ยงั้นรอสักปีสองปีมันไม่มันไม่ช้าเกินไปหรอกอจะได้ของดีเนี่ยคำถามจากทางไลน์ค่ะพ่อแม่ไม่ชอบปฏิบัติธรรม จะชวนให้ท่านชอบปฏิบัติธรรมได้อย่างไงคะ่ะก็บอกก็ว่าไม่มีเพื่อนไปวัดเลยช่วยไปเป็นเพื่อนหน่อยได้ไหมต้องหาอุบาย เ, าเขาไม่ย่อปฏิบัติก็อย่างน้อยก็หาวิธีให้เขาได้ไปให้เขาได้สัมผัสคําถามจากเฟซบุ๊ก Facebook ครับนอบ้อมกาบเรียนพระอาจารย์เชอบค่ะที่พระอาจารย์ให้คอยจับตัวอย่างเมื่อเดือนมกรา จึงปฏิบัติตามมาตลอดจนกระทั่งช่วงนี้เมื่อมีความคิดอยากจะทำสิ่งใดผุดขึ้นมาความเบื่อหน่ายจะเกิดขึ้นเองแล้วความคิดที่อยากจะทำสิ่งนั้นๆก็ดับลงไปเป็นแบบนี้มาสักหนึ่งอาทิตย์แล้วค่ะความขวัญขวายในสิ่งต่างๆน้อยลงไปจึงทาหน้าที่ดูแค่เห็นความอยากในความคิดเกิดความเบื่อหน่ายเกิด ความอยากดับความเบื่อหน่ายดับแต่รู้สึกแปลกๆในสิ่งที่เกิดขึ้นขอพระอาจารย์โปรดชี้แนะดู ด, ด้วยเจ้าค่ะกราบขอบคุณอย่างสูงครับการที่เราจะหยุดความอยากได้แท้จริงอย่างถาวรเราต้องเห็นว่ามันเป็นทุกข์ในสิ่งที่เราอยากได้เพราะถ้าเรายังไม่เห็นความทุกข์แล้วอาจจะใช้อารมณ์หยุดมันก็ได้ซึ่งใช้อารมณ์มันก็จะ เป็นแบบไม่แน่นอนเดี๋ยวเกิดมีอารมณ์ดีขึ้นมาก็อาจจะไปอยากใหม่ก็ได้งั้นอย่าใช้อารมณ์อย่าใช้การบังคับให้มันหยุดเฉยๆเช่นใช้สติหยุดเฉยๆเช่นเวลาอยากอะไรก็พุโทโธพุโทโธไม่ไปคิดถึงมันมันก็หยุดได้แต่เป็นการหยุดชั่วคราวเดี๋ยวพอไปเจอมันอกีกมันความอยากเก่ามันก็จะโผล่ขึ้นมาอีก ถ้าอยากจะให้มันไม่โผล่ขึ้นมาต้องเห็นว่าสิ่งที่เราอยากได้มันทุกนะมันไม่เที่ยงนะมันไม่ใช่ของเราเสมอไปนะได้แฟนมาวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะไปเป็นแฟนของคนอื่นก็ได้นะไม่มีอะไรแน่นอนฮะถ้าเห็นอย่างนี้แล้วมันจะไม่กลา้ามีไม่อยากมีแต่ถ้าถ้าเห็นเพราะว่าเบื่อมีแฟนมาหลายครั้งแล้วตอนนี้เบื่ออยากจะอยู่คนเดียวบ้าง เดี๋ยวมันเป็นเบื่อเบื่ออยากอยากอย่างงี้เดี๋ยวพออยู่คนเดียวสักพักเดี๋ยวเหงาแล้วสิก็อยากได้ใหม่แล้วที่อยากนั่นก็จะเลือก็ก็มันก็จะไปหาใหม่แต่ถ้ามันทุกครั้งมันจําได้ว่ามีแฟนมันทุกมากกว่าอยู่คนเดียวนะออย่างนี้ต่อไปมันก็ไม่มีแฟนต้องเห็นว่าต้องเห็นความทุกข์ในสิ่งที่เราอยากได้เห็นความไม่เที่ยงในสิ่งที่เราอยากได้เห็นการที่เราควบคุมบังคับสิ่งที่เราอยากได้ไม่ได้เอ มันเป็นอนัตตาเป็นอนิจจังเป็นทุกขังนั่นเองหรือถ้าเป็นคนก็ให้มองส่วนที่ไม่สวยงามบ้างอย่าไปมองแต่หน้าตามองเข้าไปใต้ผิวหนังมองใต้ผิวหนังมีโครงกระดูกมีปอดมีตับมีไตมีลำไส้มีอะไรต่างๆมองในส่วนที่ไม่น่าดูของคนบ้างอย่าไปมองแต่ส่วนที่น่าดูเพราะเห็นส่วนที่น่าดูมันก็จะเกิดความอยากได้ขึ้นมา พอเห็นส่วนที่ไม่น่าดูมันก็ไม่อยากได้ <c oughs> คำถามจากทาง YouTube ค่ะพระอาจารย์เจ้าคะพยายามจะช่วยเหลือผู้อื่นคือผู้ที่มายืมเงินแต่พอให้แล้ว <c oughs> เขาก็มาเรื่อยๆเลยเจ้าคะ่ะมาทุกเดือนแบบนี้ถ้าเรามีแต่เราไม่ให้เพราะเห็นเขามายืมเป็นประจำจะบาปหรือไม่เจ้าคะอ๋อไม่บาปหรอกะ อย่างที่เคยพูดมีสุภาษิต ท, ที่เขาสอนว่าเวลาใครก็มาขอปลาก็อย่าให้ปลาเข้าไปพาเขาไปหาปลาดีกว่าสอนให้เขารู้จักวิธีหาปลาพอเขาหาปลาเป็นหาเองได้เขาก็ไม่ต้องมาขอปลาจากเราใครมาข อ, อยืมเงินเราก็ขอเงินเราแล้วก็สอนให้เขาหาเงินพาเขาไปหาเงินหางานให้เขาทําได้หาได้ แล้วก็บอกว่าเนี่ยหาเงินเองจะดีกว่าไม่ต้องมาคอยขอเ้วต่อไปเขาก็ยังไม่มาขอเราคำถามจากทาง Facebook ค่ะลักษณะของผู้ที่ได้โสดาบันแล้วกลับมาเกิดเป็นมนุษย์จะเป็นอย่างไรครับก็เป็นโสดาบันต่อไปก็ไม่ต้องมาปฏิบัติให้เป็นโสดาบันใหม่ เพียงแต่ต้องปฏิบัติขั้นสูงต่อไปคือระขั้นสกิดาคาอานาคาและอาลหาันตามลําดับเหมือนคนที่จบปริญญาแล้วย้ายไปอยู่ต่างประเทศอย่างเงี้ยไปเรียนต่อเขาก็ไม่ต้องมาบังคับให้เรียนปริญญาตรีก็เรียนปริญญาโทได้เลยคําถามจากคุณลลิดาค่ะ <c oughs> กราบสอบถามพระอาจารย์ค่ะในขณะนั่งสมาธิ โยมนั่งกำหนดลมหายใจเข้าออกและพุทธโธด้วยเราควรเลือกแบบใดแบบหนึง่งหรือสามารถทำได้ตามที่เราต้องการเจ้าคะก็อยู่ที่สภาพจิตของเราว่ามันจะรับกรรมฐานแบบไหนบางวันมันพุทโธอย่างเดียวก็สงบก็ใช้พุทโธอย่างเดียวบางทีบางวัน พุโทโธอย่างเดียวไม่สงบต้องมีดูลมหายใจควบคู่ไปด้วยก็ดูลมเข้าพุท ด, ดูลมออกโธก็ได้อันนี้ก็เราสามารถที่จะเลือกได้ตอนก่อนที่เราจะนั่งแต่ถ้าพอเรานั่งแล้วควรจะเอาอย่างนั้นไปอย่าไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานอกจากว่ามันมีเหตุเช่นตอนตอน้นจิตฟุ้งซ่านมากดูลมไม่ได้ต้องสวดมนต์ไปก่อนก็สวดไปก่อน สวดระจญกระทั่งจิตเริ่มสงบเบามาหันมาดูลมได้เราก็หยุดสวดแล้วก็ดูลมต่ออย่างนี้ก็ได้ค่ะคำถามจากคุณวิราวรรณค่ะการสวดมนต์บทอิติปิโสโพุทธคุณช่วยอะไรบ้างเจ้าคะก็เนี่แหละช่วยเจริญสติช่วยยับยั้งความฟุ้งซ่านของจิตก่อนที่เราจะนั่งสมาธิบางทีจิตเรายัง พุ้งอยู่กับเรื่องงานเรื่องการเรื่องคนนั้นเรื่องคนนี้อยู่พอจะดูลมมันก็ไม่ยอมดูมันก็ยังคิดถึงคนนั้นคนนี้คิดถึงเรื่องงานเรื่องการอยู่เราก็ใช้การสวดมนต์ไปก่อนสวดอิติปิโสสวดในใจได้ยิ่งดีไม่ต้องสวดออกเสียงสวดในสวดในท่านั่งสมาธิไปเลยถือว่าเป็นการทำสมาธิเบื้องต้นไปเลยนั่งหลับตาแล้วก็สวดมนต์ไปภายในใจหรือถ้าต้องออกเสียงก็ออกเสียงเบๆเาๆไปก็ได้ สวดไปจนกระทั่งจิตมันเหนื่อยมันก็จะไม่คิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้เองแล้วตอนนั้นเราก็หยุดสวดแล้วมาดูนมเฉยๆได้คำถามจัดทาง youtube ค่ะวันนี้มีความอยากอีกแล้วเจ้าค่ะอยากซื้อหวยเป็นการผิดศีลหรือไม่เจ้าคะก็มันถ้ามันเป็นเป็นการพา น, านันมันก็ผิดศีลนะถ้าเป็นการเล่นการพนันมันก็ผิดศีล คำถามจากคุณลูกหมีตัวน้อยค่ะกาบเรียนถามพระอาจารย์หากเราเคยกระทําผิดพลาดมาแล้วและเราตั้งต้นใหม่เริ่มกระทําแต่ความดีส่วนบาปกรรมเก่านั้นยังคงต้องส่งผลรับกรรมเท่าเดิมหรือไม่เจ้าคะเท่าเดิมแต่อาจจะช้าลงก็ได้เพราะว่าถ้าเราทําบุญมากเวลาเราตายบุญอาจจะส่งผลก่อนเพราะบุญมีกาลังมากกว่า บาปก็รอลงอาญาไปก่อนถ้าเราทําบุญไว้มากๆเวลาตายนี่บุญกับบาปจะมาตัวดึงใจเราให้ไปทางสวรรค์หรือไปทางอบายถ้าบุญมีมากกว่าบาปบุญก็จะดึงไปสวรรค์ก่อนแล้วพอบุญกับบาปมีกําลังเท่ากันก็จะลงจากสวรรค์มาเป็นมนุษย์ก่อนแล้วก็มาทําบุญทําบาปใหม่ต่อถ้าเราทุกครั้งมาเกิดเป็นมนุษย์เราทําบุญให้มากกว่าทําบาปไปได้เรื่อย บาปมันก็ยังไม่มีโอกาสที่จะแสดงผลอแล้วถ้ า, ถาเราทําบุญถึงขั้นพระนธิพานบาปก็ไม่ต้องใช้ต่อไปพอเข้านิพพานแล้วก็จบองค์ุลิมานฆ่าคนต้องเก้าร้อยเก้าสิบเก้าคนพอพบพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติจิตตภาวนามาตัดกิเลสได้ฆ่ากิเลสแทนฆ่าคนก็บรรลุเป็นพระอาหารหันต์พอตายก็ไม่ต้องกลับมาเกิดใช้กรรมอีกต่อไป <c oughs> คำถามจากเฟ b o ุกครับเวลามีปัญหาในชีวิตต้องเลือกสักทางเรามีแนวทางในการตัดสินใจให้ได้ทางเลือกที่ดีที่สุดค่ะจะได้รู้ยังไงว่าไม่ได้ตัดสินใจจากกิเลสคะก็ต้องตามแบบที่พระพุทธเจ้ า, าสอนน่ะปัญหากับเราทั้งหมดอยู่ที่กิเลสตัณหาเท่านั้นน่ะไม่ใช่อยู่ที่ตรงไหนมาแก้ด้วยการกำจัดกิเลสตัณหา แล้วปัญหาก็จะถูกแก้ได้อย่างถาวรอย่ายไปแก้ที่อื่นอย่าไปแก้ที่คนนั่นคนนี้แก้ที่สิ่งนั้นสิ่งนี้มันไม่ได้เป็นตัวปัญหาที่แท้จริงตัวปัญหาที่แท้จริงคือกิเลสตัณหาความอยากของเราอยากให้สิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นอยากให้สิ่งนี้เป็นอย่างนี้ก็ไปแก้มันตรงนั้นแก้แล้วเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนอีกพอมันเปลี่ยนอีกมันก็ทาให้เราวุ่นวายใจขึ้นมาอีก มาเปลี่ยนใจดีกว่ามาเปลี่ยนใจแล้วเอ้ามันเป็นอย่างนี้ก็เอามันอย่างนี้แหลวะวะไม่ต้องไปเปลี่ยนมันเอมันก็จบคนเขาเป็นอย่างเนี้ยเช่นแฟนเราเขาที่เล่าเมายาเล่นการพ น, นันเที่ยวผู้หญิงอย่างนี้เราอยากจะให้เขาเปลี่ยนเราก็จะทุกข์วุ่นวายใจไปตลอดไปฆ่าเขามันก็บาปอีกเนี่ยอย่ากันก็ต้องอยู่คนเดียวถ้ายังอยากจะอยู่กันด้วยกันก็ทําใจนะเ อ, ะอะขาอยากจะเที่ยวไปก็เที่ยวก็อยากจะเมาก็อยากให้เขาเมาไปเอ ก็อยู่ด้วยกันได้คำถามจากคุณทูครับหลวงพ่อครับสิลห้าปฏิบัติแล้วบรรลุธรรมได้หรือเปล่าครับจิตไม่สงบครับอ๋อสินห้าก็ทำให้เราไม่ต้องไปใช้กรรมในอบายไม่ต้องไปเกิดในอบายจิตใจไม่วุ่นวายแต่ยังไม่มีดวงตาเห็นธรรมดวงตาเห็นธรรมนี้ต้องใช้การภาวนาทำจิตให้สงบเล คำถามต่อจากคุณทูสอีกคำถามหนึ่งนะคะแล้วสินแปดสินสิบปฏิบัติแล้วได้ผลเร็วกว่าใช่ไหมครับ อ, อ๋อสินสินแปดขึ้นไปนี้จะช่วยให้เรามีเวลาไปปฏิบัติธรรมไงถ้าสินห้ามันจะไม่มีเวลาเพราะสินห้าไม่ห้ามให้เราไปเที่ยวไปดูหนังฟังเพลงไม่ให้ไปร่วมลำนอนกับแฟนไม่ห้ามให้เราไปกินข้าวเย็นไปกินเลี้ยงไปงานเลี้ยงต่างๆ ถือศีลห้าไปได้หมดทำได้หมดแต่ถ้าถือศีลแปดนี่ห้ามหมดให้อยู่บ้านอยู่วัดก็จะมีเวลามานั่งสมาธิมาปฏิบัติธรรมแลคำถามต่อไปค่ะนมาส ก, การพ่อแม่ครูอาจารย์ครับถ้าเราทำงานที่ต้องใช้ความคิดไปในเรื่องต่างๆคิดเรื่องนู่นทีเรื่องนี่ทีแต่รู้ตัวตลอดว่าคิดเรื่องนี้อยู่ ถือว่าเรามีสติหรือไม่ครับมีแต่เป็นสติที่ยังไม่ไม่เป็นสัมมาสติคือยังไม่ทําให้ใจสงบได้เพราะยังใช้ความคิดอยู่ถ้าเป็นสัมมาสติต้องเป็นสติแบบไม่ต้องใช้ความคิดก็ต้องทํางานแบบที่ไม่ต้องใช้ความคิดอย่างพระนี่มีงานที่ไม่ต้องใช้ความคิดกันงานบินทบาสงานปัดกวาดงานถูสาลางานทําความสะอาดต่างๆ มันไม่ต้องใช้ความคิดมากมันก็เพียงแต่รู้ได้รู้เฉยเฉรู้ว่ากําลังทําอะไรนแต่ถ้าต้องใช้ความคิดทําบัญชีคิดวางแผนว่าพรุ่งนี้จะจัดงานจะต้องเอาคนมากี่คนเอจะต้องซื้ออะไรมามันต้องใช้ความคิดมันก็จะไม่เป็นจะไม่ทําให้ใจนิ่งได้มันต้องใช้ความคิ ด, ด, ตคคดแต่มันมีสติอยู่กับงานก็ตามมันก็จะทําให้งานไม่ผิดพลาดนแต่มันไม่ทําให้จิตสงบน เวลาจะมานั่งสมาธิไอ้ความคิดเหล่านี้ยังมาลบกวนใจได้ยังคิดถึงเรื่องงานต่อได้แต่ส่วนถ้าเป็นงานของพระในงานปัดกวาดงานอะไรนี่มันไม่มาลบกวนใจพอทำเสร็จมันก็จบพอมานั่งสมาธิมันก็ไม่มีเรื่องราวเหล่านั้นมาเข้าม่ยในใจอย่งการงานก็เป็นตัวสำคัญที่จะทำให้เรามี ส, มสัมมาสติหรือมิจฉาสติ ถ้าเรายัางต้องทํางานต้องใช้ความคิดอยู่มันก็จะเป็นสติแบบที่ไม่เอื้อต่อการทําใจให้สงบอย่างั้ต้องมาลาออกจากงานกันมาบวชกันถึงจะได้มีสัมมาชีพมีอาชีพที่จะเอื้อต่อการอทําสัมมาสติต่อไปกราบนมวัส ก, การหลวงพ่อเจ้าค่ะรูขอความเมตตา ให้หลวงพ่อช่วย อ, อธิบายคําว่าเห็นกายแยกเป็นส่วนๆนั้นหมายความว่าใจของเรายอมรับว่าร่างกายนี้คือขันธ์ห้าหรือว่าเห็นแบบตาทิพมองเห็นเจ้าคะเออก็ให้เราเห็นร่างกายว่ามันไม่มีตัวตนตัวเราไม่มีอยู่ในร่างกายก็ให้เราแยกชิ้นส่วนของร่างกายออกมาดูว่าเราอยู่ตรงไหนอยู่ตรงผมเหรอืออยู่ตรงขนอยู่ตรงเล็บอยู่ตรงฟันะ แยกมันมาสามสิบสองส่วนเนี่ยอาการสามสิบสองแล้วดูว่าตรงไหนเป็นเราบ้างตับเป็นเราหรือเปล่าไตเป็นเราหรือเปล่าหรือตับก็เป็นตับไตก็เป็นไตปอดก็เป็นปอดเนี่ยไม่มีเราอยู่ในร่างกายเราเป็นตู่เอาเฉยๆก็ยัยเราไปตู่ว่าเนี่ยร่างกายเป็นเราเป็นตัวเราของเรานี่เพื่อให้เรามีความเห็นชัดๆว่ามันไม่มีเราอยู่ในนี้ก็ต้องลืมมันออกมา เหมือนเราคิดว่าเราลืมก like ุญแจไว้ในกระเป๋าเนี่ยเราถ้าอยากจะรู้ว่ากุญแจอยู่ในกระเป๋านี้หรือเปล่าเราก็เทมันออกมาให้หมดเของที่อยู่ในกระเป๋านี้มีอะไรเทมันออกมาให้หมดเราค้นดูว่ากุญแจที่เราคิดว่าเราลืมไว้ในกระเป๋านี้มีอยู่หรือเปล่าถ้ามันถ้ามีอยู่ก็แสดงว่าเราคิดถูกเนี่ยกุญแจเราอยู่ในกระเป๋านี้แต่ถ้ามันไม่มีก็แสดงว่าเราคิดผิดเนี่ย คิดผิดก็มิจฉาทิฏฐิคิดถูกก็สัมมาทิฏฐิเอพระพุทธเจ้ามีสัมมาทิฏฐิพระเจ้าบอกว่าไม่มีเราในร่างกายจะเห็นก็ต้องแยกร่างกายแยกชิ้นส่วนของร่างกายออกเป็นสามสิบสองส่วนก็จะค้นหาคําว่าเราตัวเราไม่เจอเราก็จะมาเจอว่ามันอยู่ที่ความคิดเราเท่านั้นเองพอเราคิดว่าเป็นเรามันก็เราก็เชื่อมันเท่านั้นเองแต่เวลาเราทําใจให้สงบหยุดความคิดคํา คำว่าเราก็หายไปร่างกายเป็นเราก็หายไปหมดเราก็จะรู้ว่าเนี่ยมันเป็นมิจฉาทิฏฐิเรามาแก้ให้มันเป็นสัมมาทิฏฐิให้เห็นว่าเราไม่มีอยู่ในร่างกาย <S <S <heure Chelsea> เมื่อเราไม่เป็นร่างกายไม่มีเราอยู่ในร่างกายร่างกายเป็นอะไรเราก็ไม่ได้เป็นไปกับมันเราก็จะไม่กลัวความเป็นไปของร่างกายร่ <notes> างกายจะแก่ก็เรื่องของร่างกายเรื่องกายจะเจ็บก็เรื่องของร่างกาย ร่างกายจะตายก็เรื่องของร่างกายใจคือผู้รู้ผู้คิดไม่ได้เป็นไปกับมันก็ให้รู้เฉยๆไปนะใจก็จะไม่ทุกข์กับร่างกายคำถามต่อไปครับและคําว่าใจตั้งมั่นในภาษาที่พระอาจารย์สอนในการปฏิบัติกับคําว่ามีใจมุ่งมั่นในการที่จะทําการงานใจอันเดียวกันไหมเจ้าคะกราบขอพระคุณเจ้าคะ่ะ ไม่คำ ว, ว่าตั้งมั่นก็คือสงบไงใจตั้งมั่นอยู่ที่เดียวก็คืออยู่ในความสงบที่เรียกว่าเป็นความตั้งมั่นที่ถูกต้องสัมมาสมาธิสมาธิมีสมาธิสองแบบแบบตั้งมั่นแต่ไม่ไม่ได้อยู่ในความสงบเช่นไปอยู่ในนิมิตต่างๆนั่งสมาธิแล้วก็ไปรับรู้เห็นนิมิตต่างๆไปมีอภิญญาต่างๆ อันนี้ไม่เป็นสัมมาสมาธิเป็นวิมชฌาสมาธิสัมมาสมาธิต้องตั้งมั่นสงบเป็นอุเบกขาสักแต่ว่ารู้เพราะมันจะเอื้อต่อการเจริญปัญญาต่อไปส่วนมิจฉาสมาธินี้จะไม่เอือ้อจะทําให้จิตไม่มีอุเบกขาไม่มีกําลังสู้กิเลสตัณหาได้ส่วนความมุ่งมั่นก็คือมีเป้าหมายเหมือนกับมีอธิษฐานเนี่ยอธิษฐานก็คือความมุ่งมั่น ก่อนที่เราจะทําอะไรได้เราต้องมีอธิษฐานก่อนมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจก่อนเช่นวันนี้เราจะมาวัดได้เราก็ต้องมีความตั้งใจก่อนตั้งใจว่าจะมาวัดเนยถ้าไม่ตั้งใจมันก็จะไม่ได้มาเดี๋ยวเพื่อนชวนไปนั่นมานี่ก็จะไปตามเขาได้หรือมีเหตุการณ์มีธุระอะไรเกิดขึ้นมาแต่ถ้าเราตั้งใจแล้วอาจจะมีอะไรเราก็ไม่เปลี่ยนใจก็ได้แล้วพ่อบอกเราตั้งใจจะมาที่นี่แล้ว ถ้าเราไม่เปลี่ยนใจก็สแสดงว่าเรามีสัจจะด้วยนี่เราจึงต้องมีสองอย่างถึงจะทาสําำสำเร็จคือมีอธิษฐานมีสัจจะมีความมุ่งมั่นและมีความจริงใจต่อความตั้งใจของเราแล้วเราก็จะทําอะไรได้สําเร็จเหมือนกับพระพุทธเจ้าตั้งสัจจะอธิษฐานตอนที่นั่งอยู่ใต้โคนต้นโพว่าจะนั่งอยู่ไปตรงนี้จนกว่าจะตัดจารุถ้ายังไม่ตัดจารุแม่ เลือดในร่างกายจะเหือดแห้งไปก็จะไม่ลุกจากที่นี่ไป น, นี่คือความมุ่งมั่นของพระพุทธเจ้าต่อาการตัดสลตเรเรียกว่าอธิษฐานและสัจจะสัจสจะอธิษฐานคำถามจากทางยูทูบค่ะกาบเรียนถามพระอาจารย์ครับหากเราฟังธรรมฟังเทศบ่อยๆจะได้ประโยชน์ด้านใดบ้างครับ อ น, นิสงส์ของการฟังธรรมมีอยู่ห้าข้อด้วยกันข้อที่หนึ่งจะได้ยินได้ฟังธรรมที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนสองธรรมที่เราถ้าเคยได้ยินได้ฟังมาก่อนแล้วพอได้ฟังซ้ําอีกก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นไปตามลําดับสาจะทําให้เรากําจัดความสงสัยต่างๆเกี่ยวกับธรรมข้อนั้นข้อนี้ได้สี่ ทำให้เรามีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นที่ถูกต้องเช่นเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราถ้าไม่ฟังเราก็จะคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราพอฟังเราก็จะเกิดสัมมาทิฏฐิเกิดปัญญาขึ้นมาห้าจะทำให้จิตใจสงบผ่องใสนี่คือานิสงของการฟังเทศฟังธรรมจะเกิดผลได้ก็ต้องฟังแบบกายวาจาใจที่สงบด้วย ถ้าฟังแบบกายวาจาใจไม่สงบก็ไม่เกิดผลเช่นบางคนบอกว่าทําททำงานบ้านก็เปิดเทศเปิดฟังเทศไปด้วยอันนี้จะไม่เกิดผลเต็มร้อยอาจจะเกิดบ้างแต่ไม่เต็มร้อยเพราะใจต้องแบ่งไปสองที่แบ่งไปที่งานกับแบ่งไปที่ฟังทำใจมันก็จะวิ่งไปวิ่งมาสลับไปสลับมาตอนที่ทากลับมาที่ทางานก็จะไม่ได้ยินว่ากำลังพูดอะไร mm hmm. กาลังฟังอะไร เพราะกลับมาฟังอ่ะมันผ่านเรื่องที่พูดไปผ่านไปแล้วเลยไม่เข้าใจว่ามันต่อเนื่องกันอย่างไรอยังถ้าอยากจะฟังให้เกิดประโยชน์เต็มที่นี้กายวาจาใจต้องนิ่งต้องสงบน่่งกายต้องนั่งเฉยๆวาจาต้องไม่พูดคุยกันใจก็ต้องไม่ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้คิดอยู่กับเรื่องธรรมที่เรากำฟังอยู่เพียงอย่างเดียวแล้วเราก็จะได้รับประโยชน์ทั้งห้าประการนี้ คำถามจากทาง youtube ค่ะจากคุณเอสเคยได้ยินพระอาจารย์สอนว่าทุดงควัตเป็นตัวเร่งความเพียร ค, <ว>ควรต้องทําทุกข้อไหมคะหรือข้อใดเอื้อให้เราปฏิบัติได้ดีขึ้นก็ถือข้อนั้นเป็นวัดในการปฏิบัติต่ตอไปก็ <SUPER S 1> ไม่ต้องทําทั้งหมดหรอกแล้วแต่แล้วแต่สถา น, นาการณ์แล้วแต่สถานที่แล้วแต่ความสามารถของเราถ้าเราไปอยู่ที่ที่เขามีการปฏิบัติ เราเป็นส่วนหนึ่งเราก็ต้องทําตามเขาเช่นถ้าไปบวชอยู่สายวัดพระป่าอย่างนี้ท่านก็จะถือทวดงบินตบานเป็นวัดชั้นในบาทเป็นวัดชั้นมือเดียวเป็นวัดเอราก็ต้องทําตามท่านแต่ถ้าเราไปบวชที่วัดเขาไม่ได้ทําถ้าเราไปทํามันอาจจะเกิดปัญหาขึ้นมาก็ได้เพราะเราจะทําไม่เหมือนเขาเราจะมีความเหลื่อมล้ำต่ําสูงก็ อ, อาจจะทําไม่ได้ทําแล้วมันมันจะมีปัญหาตามมา ก็ต้องต้องพิจารณาดูสิ่งแวดล้อมดูเหตุผลต่างๆด้วย yeah. อย่าถ้าเราทำได้โดยที่ไม่มีปัญหาก็ทำอยากจะทำทั้งสิบสามข้อก็ทำได้ถ้าทำได้ก็ทำไปก yeah. าถามต่อไปนะคะกราบนรมัส ก, การหลวงพ่อครับกระผมอยากจะขอเรียนถามหลวงพ่อว่าคนที่ตายจากโรคไปนี้ไปแล้วอีกนานแค่ไหนถึงจะมาเกิดใหม่ครับ และวิญญาณที่ตายไปแล้วจะอยู่ตรงไหนครับก่อนที่จะมาเกิดใหมออ่ตอนที่ยังไม่เกิดก็ไปรับผลบุญ ผ, ผลบาปไปก่อนถ้าบุญพาไปก็ไปเป็นเทวดาไปอยู่บนสวรรค์ชั้นต่างๆถ้าบาปพาไปก็ไปเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกายวนไปเวียนมาจนกว่าบาปหรือบุญนั้นมันหมดกำลังตอนนั้นก็จะมาอยู่เป็นวิญญาณของมนุษย์แต่ไม่มีร่างกายของมนุษย์ รอคิวก่อนตอนนั้นเพราะคิวของมนุษย์มันยาวเหมือนกันมนุษย์ก็ไม่ได้ออกลูกออกเต้าเหมือนกับพวกสัตว์เดรัจฉานฮเดรัจฉานเขาออกทีเป็นฝูงแต่มนุษย์นี่บางทีออกทีละคนสองคนแล้วบางคนก็มีคุมกําเนิดอีกบางคนก็ทําแท้งอีกก็ถึองบอกว่าการจะเกิดเป็นมนุษย์นี่ยากมากยากกว่าการไปเกิดเป็นอย่างอื่น คำถามจากทางไลายครับเวทนาในสติปัฏฐานสูตรหมายถึงทุกหมายถึงสุขทุกทางกายเท่านั้นหรือรวมเวทนาทางใจด้วยหรือไม่หากเวทนาทางกายเกิดเรารู้และ ว, วางได้แล้วตัวเวทนาทางใจเราควรจัดการอย่างเดียวกันหรือไม่อย่างไรครับเออวทนาทางกายมันมาทั้งห้าทางไม่ใช่กายอย่างเดียวทางตาหูจมูกลิ้นกาย ก็ทำให้เราเกิดสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ได้เห็นรูป ก, ก็เห็นแสงสว่างจ้าจ้ามันก็ทําให้แสบตาอ่มันก็เป็นทุกขเวทนาเหมือนกันอ่อันนี้ก็เวทนาทางตาหูจมูกรินกายได้ยินเสียงดังๆเนี่ยจนปวดหูอย่างเงี้ยอันนี้ก็ถือว่าอ่าเป็นทุกขเวทนาทางทางทางหูได้ดมกลิ่นแรงๆ ก, กลิ่นที่เป็นยาพิษอย่างเงี้ย ดมกลิ่นแล้วมันก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาอันนี้ก็เป็นเวทนาทางตาหูจมกูกทิ้นกายร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็ปวดทั่วสพางร่างกายนี้ก็เรียกว่าเป็นเป็นกายเวทนาส่วนทุกข์เขาเวทนาทางทุกข์ทางใจคือเกิดจากตัณหากิเลสเช่นเวลาเกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยก็เกิดความอยากให้มันหายพออยู่เฉย ทำอะไรไม่ได้จะไปเที่ยวจะไปทำงานทำาไม่ได้เวลาร่างกายไม่สบายก็อยากจะให้มันหายพอมันไม่หายก็เลยทำให้ใจไม่สบายไปด้วยอันนี้ทุกทางใจที่เราหยุดได้ด้วยใช้ปัญญาใช้สมาธิสอนใจว่าร่างกายมันเป็นอย่างนี้มันจะเจ็บก็ต้องเจ็บมันจะหายหรือไม่หายก็ต้องอยู่ที่เวลาอยู่ที่การรักษา ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์กับมันก็เราต้องทําใจเฉยๆดับรู้ไปอย่าไปอยากให้มันหายถ้ามันยังเป็นก็อยู่กับมันไปให้มันเป็นไปเราก็จะระงับเวทนาหรือความทุกข์ทางใจได้ความทุกข์ทางใจเราไม่เรียกว่าเวทนาเราเรียกว่าทุกข์หรือไม่ทุกข์ท่านนั้นหนึ่งใจมีทุกข์หรือไม่ทุกข์กับเหตุการณ์ต่างๆทุกข์หรือไม่ทุกข์ เห็นเหตุการณ์บางอย่างก็ไม่ทุกข์เห็นการบางอย่างก็ทุกข์นี่ทุกข์เพราะความอยากถ้าไม่มีความอยากก็จะไม่มีความทุกข์นี่คำเรียกว่าทุกข์ในอริยสัจสี่คำถามจากทางเฟซบุ o กนะคะไม่สามารถควบคุมการกินอาหารได้สำเร็จเพราะมัดเครียดและโกรธระบายออกด้วยการกินต้องพิจารณาอสุภะ ทำอย่างไรคะคือให้นึกถึงอาหารที่น่าเกลียดเวลาย่อยเป็นกากแล้วคิดถึงอุจจาระคิดแบบนี้บ่อยๆถึงอาหารที่เน่าบูดไม่สวยงามอย่างนี้หรือเปล่าคะถ้าอยากจะระงับความอยากกินอาหารก็ต้องคิดแบบนี้คิดตอนที่มันอยู่ในปากเคี้ยวมันผสมกับน้ำลายถ้าอยากจะดูหน้าตามันก็ลองคลายมันออกมาดูแล้วดูเสว่าจะตักเข้าไปกินได้ไหมหรือเปล่า ตอนอยู่ในปากอ ร, อร่อยอร่อยแหล้วเกินอยากจะดูหน้าตาว่าความ อ, ร, อร่อยมันสวยไหมก็ลองคายออกมาดูแล้วเราตัดเข้าไปกินใหม่ด้วยอันนี้ก็จะทำให้เราเวลาเกิดความอยากอาหารทำให้เราไม่อยากรับประทานอาหารได้เอาสุดท้ายนะเวลาหมดดนะ่าคำถามสุดท้ายนะคะจากทาง a ฟ e b o o กกับเรียนถามเจ้าคะ่ะพระอาจารย์กล่าวให้ฟังว่าคนเราหลังตายแล้ว จะไปตามผลบุญผลบาปถ้ามีการฆ่าสัตว์ด้วยอารมณ์กลัวไปเป็นอสุรกายทำบาปด้วยความโลภไปเป็นเปรตแล้วที่มีหลายคนเคยเห็นผีแต่ไม่ได้เป็นเปรตหรืออสุรกายทำไมผีเหล่านี้เขาไม่ได้ไปตามผลบุญผลบาปทันทีมาเป็นผีอยู่ตรงนั้นตรงนี้คืออะไรเจ้าคะ ผีนั่นก็คือเปรตหรืออสุรกายแต่เราไม่รู้เขาเป็นอสุรกายหรือเป็นเปรตถ้เป็นผีที่ที่กลัวก็เรียกว่าเป็นพวกอ่เป็นอสุรกายผีที่โลภก็เป็นพวกเปรตอาจจะผีที่มีอาฆาตพยาบาทก็เป็นพวกนรกเยพวกที่ตกนรกเนี่นี่คือดวงวิญญาณของผู้ที่ตายไปแล้วด้วยการทําบาปทําบาปด้วยความโลภก็จะไปเป็นเปรตทาบาปด้วยความกลัวก็เป็นอสุรกาย